นเปเป็นดีดีที่เกี่ยวกับอุปรณ์เปิเปิดได้กับเครื่องคอมนึงเดียวเป็นดี d นั่เป็ น, ปนดดดด อ, อ, อดีมีถาดไฟที่เราไปสั่งให้เครื่องนดีดีมันมันไม่เปิดันมนัต้องต้องใช้เครื่องคอ ม, มเปิดก่อน แต่ก็เรีนเป็นเป็นภาพเป็นหนังเป็นสอนนักศึกษาแค่เขามีสองตอนนะตอนเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินอาหารตอนเกี่ยวเรื่องระบบสืบพันธุ์สองตอนนี้เพื่อได้เห็นนิสัยวิวันาภายของ่างกาย อยู่กับเราทั้งวัเราไขมันก็ลอยเยลาไม่มีมันเราอยู่ได้ไหนไม่มีร้อยจ่ันอยู่ได้เนี่ยีป็นศพเป็นศพจริงจริงครับเป็นศอที่เขาดองออกเป็นของจริงของจริงไม่ใช่ของไม่ใช่ศพแบบสพแบบไม่เลือดสดๆอย่านี้ไเป็นศพที่เขาผ่านพิธีกรรมนองนะว่าเรก็จะมีนายแบบนางแบบที่ไม่ตายเย งานจะนัง่งแบบเคื่องผ้าเพราะเขาบอกว่าผ้าอะย่าว่าที่ที่ที่บนทู่ห้องเขาจะได้มองว่าจะได้รู้ว่าตับอยู่ตรงไหนต่ออยู่ตรงไหน บอกถาักการดูก็ก่อนอาหารนะท่านอาจารไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารท่าเรื่องอาหารหมว่าอนหลังจากมอกแล้วก็จะทานอาหารไม่ได้ก็คือเคนที่ทำงานลดลดอาหารลดความอ้วนีก่อนอาหารเลยนะราเด็กก็หไม่กัไม่กินแล้วแล้วมันก็เป็นหนึ่งกรรมฐานกรรมฐานที่อาหารในปฏิูรัสเนียคือคนที่ เวลาก่อนจะฉันอาหารในพระจะต้องปฏับสังขารเรียนสู้ให้คิดจางาอยู่ความสภาพที่ของอาหารที่เปี่ยนไปจากที่อยู่ในจานเข้าไปสู่ในปากเข้าไปสู่ในท้องเป็นอาหารใหม่เป็นอาหารเก่ดูสภาพก่อถ้าดูอย่างนี้แล้วความอยากอาหารนี่มันจะหายไปเช่นเวลาอดอาหารนีต้องใจเพราะว่าเวลาอดอาหารนี่มัน จิตกระโดงถึงเรื่องอาหารเราก็ต้องนึกถึงภาพของอาหารที่ที่แต่งสภาพไปล้วอยา่าไปนึกถึงภาพที่มันอยู่ในจานราอ่ไปนึกถึงภาพในจานแล้วน้ำลายไหลแต่เราเน้นถึงในภาพที่มันอยู่ในปากที่เคี้ยวแล้วที่อยู่ในท้องที่อยู่ในลใําไส้มันก็จะได้ไม่ไม่หยว่าใจเราไปให้สัญญาความมั่นหมายกับอาหารนั่เอง ตัวอาหารมันก็ยังเป็นอาหารเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลแสภาพไปแต่นิ้นแต่มันก็ยังเป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันไม่ได้มีอะไรเพิ่ขึ้นน้อยลงแ ต, แต่เราให้เราให้ความรู้สึกกับภาพสภาพของอาหาร น, นั้นต่างกัน เวลาอยู่ในจานอยู่ในจานก็มีความโลภด้วยมีกวามตัณหาเวลามันออกมาแล้วนี่ก็มีวิตกว่าตัณหาจะมีความหลงติด ม, มีความกลัวความไม่ชอบแต่เวลาอยู่ในจานก็มีความชอบดังนั้นเป็นเป็นสิ่งที่พระมักจะใช้กันเพราะว่าพระได้จะ ไม่ได้รับประทานอาหารอย่างยากเย็นรับประทานอย่างยากเย็นไม่ไม่มีขอ้อเขตอยากเมื่อไหร่ก็รับประทานได้นอนถึงนขึ้นมาเดือดเดดยังหาอะไรรับประทานต่อได้แต่ถ้าเป็นพระนี่จะฉันเื่อเดียวสำหรับพระปฏิบัติฉันเพื่อเดียวแล้วระหว่าง น, นั้นก็จะไม่มีการฉันอาหาร จนกว่าจะถึงเวลาอีก24ชั่วโมงวอนได้ชันสมมุติวันได้ชั้น8โมงเช้าก็ต้องรอถึงพรุ่งน้เวลา8โมงเช้าถึงได้ถึงจะได้ฉันอีกตอนบนใหม่ๆนี่มันจะยังไม่ชินมันเคยจิตมันเคยตรงแต่งตามเวลามันเคยรับประทานตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นมันพอถึงเวลามันก็จะตรงแต่งคิดถึงอาหาร ก็เลยต้องใช้การพิจารณาส ภ, ภาพของอาหารที่เป็นปฏิกูลมาดับความคิดปุงแต่งมันก็เป็นสังขารเหมือนกันสังขารอย่างหนึ่งก็ไปทางปัญหาคือไปทางการมากักปัญหาสังขารอีกอย่างก็ไปทางมากักไปทางดับปัญหา เราคิดถึงสภาพของความไม่สวยงามของอาหารที่อยู่ในปากเราก็ดีมีในท้องอยู่ในลาไส้ก็ดีหรือที่ออกมาแล้วก็ดีมันก็จะไม่คิดถึงเรื่องอยากให้รัะท า, านามีกรณีของไม่ชีคนหนึ่งที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอาหาปฏิกูลของอาหารนี้จนถึงท่านว่า รับประทานอาหารเรื่อยๆมองอาหารที่หลายมันการจะเหมือนกับที่อยู่ในโถทักโคตกจนมีปัญหาเพราะาร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารก็เลยใจกราบถามพระอาจารย์พระอาจารย์ท่า น, นก็เลยต้องแก้ให้ว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้มันมันเลยทลทเลหมายความว่ามัน กิยามากเกินไปยานี่มีคุณมีประโยชน์มากอย่างไรก็ตามถ้ารับประทานเกินขนาที่ควรจะรับประทานมอนก็จะเป็นภัยต่อร่างกายได้การพิจารณาคำทานเช่นปฏิกูรอาหารนี<ม>้ก็เช่นเดียวกันพิจารณาเพื่อที่จะดับความอยากอาหารตามลตัญหา แต่ถ้าไม่มีความอยากอาหารก็ไม่ควรที่จะพปจจริาหแต่ถ้ามันติดชนิดสายมันเห็นอาหารแล้วมันก็จะเห็นอย่างนั้นทันทีเห็นความไม่ความตกปกทันทีฉันก็บอกให้พิจเจรณว่าอาหารนี้ก็เป็นเพียงธาตุสีดินน้ำลงไปมาจากดินน้ำลงไปแล้วก็ร่างกายนี้ก็เป็นธาตุสีดินน้ำลงไป ร่งกายนี้ไม่ลังเกียจอาหารไม่ลังเกียจธาตุที่เข้ารับกันได้คือธาตุกับธาตุเหมือนกับเติมเติมน้ำมันให้รถรถก็เป็นเป็นโลหะเป็นวัตถุน้ำมันนี่ก็เป็นวัตถุเหมือนกันวัตถุกับวัตถุเขาก็เข้ากันได้เขาไม่มีความรังเกียจต่อกันฉังนั้นถ้าใคพิจารณาว่าเป็นธาตุเป็นการเติมธาตุ พอปิยลายอย่างนั้นก็จะรับประทานอาหารได้เพราะผู้ที่ <c oughs> มีความรู้สึกขยะขยะงไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นใจแต่ใจนี้ไม่ได้รับประทานอาหารเลยแค่จนนิดเดียวดัง <c oughs> เ, เหมือนแม่ที่ป้อนอาหารให้ลูกให้ลูกรกับประทานแม่ไม่ได้รับประทานอาหารต่แม่กลับไปมีความขยะขยะง ไม่อยากจะรับประทานอาหารก็เนิ่นแม่ไม่ได้รับประทานอาหารจะจะไปไปเป็นไปเป็นปัญหาแทนลูกเน่นั้นเมื่อลูกเขาไม่มีความขยะแขยงแม้แต่น้อยนิดเขารับได้ทุกแบบอาหารทุกชนิดแบบไหนเขาก็รับประทานได้อาหารที่แม่ไม่ชอบลูกก็รับประทานได้อาหารที่แม่ชอบลูกก็รับประทานได้ใจก็เป็นหนี้แม่ ใจจะชอบอาหารหรือไม่ชอบอาหารร่างกายนี่รับประทานรับได้ถ้าเป็นอาหารเพราะเป็นธาตุเหมือนกันพอพิจารณาว่ามันเป็นธาตุมันก็เลยรับประทานอาหารได้เป็นปกติกรมาฐานแต่ในที่นี้เขามีไว้เพื่อที่จะ <c oughs> แก้ปัญหาเป็นเหมือนยาที่มีไว้เพื่อรักษาโรค โรคของใจก็คือตัณหาการละตัณหาเพราะตัณหายี่งเพราะตัณหาเชื่อโรคของใจ mm hmm. ก็ต้องใช้ยาธรรมะมาแก้เช่นอสุภกรรมฐานดูความมดสวยงามของร่างกาย mm hmm. ก็เพื่อที่จะแก้การละตัณหาความอยากมุกาง mm hmm. ที่เห็นว่าร่างกายนี้สวยงามก็แก้ลงไป เมื่อไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องแก้ก่อครับสมมุติว่าไม่มีการวาปัญหาอยู่ในใจได้ก็ไม่ต้องพิจารณาอสุภะไม่ต้องพิจารณาปฏิกูลจําเป็นปริกรุณปฏิกูลของอาหารก็ดีความเป็นอสุภะหรือความเป็นปฏิกรุณของร่างกายก็ดีกะไม่มีความอยากในร่างกายเห็นก็เราก็รู้สึกเฉย นอกจากว่ามันยังมีปัญหาพืา้ น, นขึ้นมาอีกต้องใช้ยานิเกินเข้าไปแต่เมื่อเรารู้จักใช้ยานี้แล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาอลไรถ้ามันเนึกเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาปับ๊บเราก็นึกถึงอสุภะปับ๊บมันก็ดับไปพร้องๆกันมันก็มันก็ไม่มีทางที่จะทำเลิกได้เพราะยาคือกรรมฐานอสุภะกรรมฐานนั่นเ ควบคุมตัวการละทารหาได้ตลาดเวลาตัวราคาทัรหาได้ตลอดเวลาเมื่อมันไม่มีราคาทัรหาแล้วก็ไม่มีลารจำเป็ที่จะต้องเจริญอับติภพกรรมฐานต่อไปกรรมฐานที่เราใช้กันนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อดับกิเดับกัรหา การปฏิบัติทำทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิการพิจารณาด้วยปัญญานี้เป็นเครื่องเลยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเป้าหมายของของการปฏิบัติเป้าหมายของการปฏิบัติก็คือการการการตัดปัญหาทั้งส า, ามการละตัณหาภาะวะตัณห า, าวิภาวะตัณหาซึ่งเป็นสมุทย เป็นต้นเหตุของความทุกข์อย่างเป็นหมือนชื่อโรคของร่างกายต้องรับประทานยายาก็คือสติสมาธิปัญญาสีฐานอันนี้เป็นเครื่องมือเราต้องเข้าใจว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเป็นผลที่เราต้องการโดยตรงเขาเป็นเครื่องมือแล้วเมื่อ เมื่อเราสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ชาระปัญหาคือความโลภความอยากต่างๆปัญหาชนิดต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเครื่องมือเหล่านี้ก็ไม่มีความจาเป็นอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระอารหันต์าวลกนั้นท่านไม่ต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญา หลังจากที่จิตของท่านบริสุทธิ์แล้วคือไม่ต้องรับประทานยาแล้วอยู่เฉยๆก็ได้อยู่แบบไม่มีสติสตางอยู่แบบไม่มีสมาธิอยู่แบบไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นปัญหาเหมือนกับพวกเราที่ไม่เจ็บไข้ได้่วนที่อยู่โดยไม่ต้องมีหยุดมียาเราก็อยู่ได้ถ้าเราไม่มีโรคภายในกล้เจ็บแล้วมียาเจ็บแ้วทำไอไปให้คนอืใช้ดีกว่า เอาไปให้คนที่เขายั ง, ยงเก็บไข้ได้ป่วยใช้เช่นเดียวกันการปฏิบัติของเราทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายเป็นเครื่องมือการเจริญสติการทำบุญให้ทายการรักษาศีลการนั่งสมาธิการเดินจงกรมพิจารณาจาริญปัญญาเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือเท่านั้นเป็นธรรมะโอสถ เป็นยารักษาโรคใจตอนนี้เราต้องกินให้มากๆจลเิญให้มากๆปฏิบัติให้มากๆเพราะเชื้อโรคมันยังมีอยู่ในใจยังมีกรารวัฏสงหาอยู่ยังมีภาวะวัฏหาอยู่ยังมีวิภาวะวัฏหาอยู่แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วช่วงนี้มันค่อยๆหมดไปหมดลปจนในที่สุดมันไม่มีหลงเหลื อ, อยียแล้วก็ไม่ต้องจะปฏิบัติอะไร ไรู้จะกินยาไปทําไมกินไปมันก็ไม่ได้ทําให้เชื้อโรคมัน <c oughs> มันมันไปกระทบกระเทือนเชื้อโรคเพราไม่มีเชื้อโรคที่จะรับการกระทบกระเทือนนะมันหาอยไปอย่างนั้น <c oughs> เราต้องเข้าใจว่าการปฏิบัติของเรานี้เราปฏิบัติเพื่อทําลายที่เหล็กตัณหาทําลายความโลภความโกรธความหลงทำลาย การมาปัญหาเพราะว่ปัญหาที่เพราะว่ัญหาพอทิเลสปัญหาไม่มีรงงรับอยู่ภายในใจแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติต่อไปการปฏิบัติของเรามันก็เป็นขั้นๆเมื่อเรารักษาโลกที่นี้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องรักษามันต่อไป เราก็ต้องไปรักษาโรคที่มันยังเหลืออยู่ภายนจกรง้ตอนต้นเราก็รักษาเกี่ยวกับความอยากความหิวในอาหารเราก็เจลาญอาหารปฏิทินแล้วอัหาอย่างนี้เช่นเราเอาอาหารทั้งหมดมารวมใส่ในจานในภาชนะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นของเค้าของหวานอาหารผลไม้เราก็อะไรที่จะเข้าไปอยู่ในท้อง ก็เอามาใส่ในภาถนะอันเดียวกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันอยู่ในท้องคนอยู่ในท้องแล้วก็รวมมันในชามในภาถนะแล้วก็คนมันให้เป็นเหมือนกับมันอยู่ในท้องแล้วเรารับประทานถ้าเรารับประทานอย่างนี้มันจะไม่มีความไม่มีตัญหามันจะรับประทานเหมือนกับเรารับประทานยา ยางนี้ไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนเรารับประทานโดยที่เราไม่มีความอยากจะรับประทานยาจะเป็นสีที่เราชอบหรือไม่ชอบจะเป็นรูปที่เราชอบหรือไม่ชอบเนี่ยจะเป็นน้ำหรือจะเป็นมาดัดเม็ ด, มดนี้ที่เราชอบหรือไม่ชอบก็เราก็รับประทานเนเพราะเราต้องอาศาัยญาณนี้เพื่อรักษาโลก เวลาเรารับประทานอาหารเราก็ควรจะรับประทานอาหารเหมืนเรารับประทานยาเพื่อที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ได้เพื่อดับความหิวที่เกิดจากการขานอาหาร น, นี่คือการรับประทานอาหารแบบธรรมะถ้ารับประทานอาหารแบบนี้เราจะจิตใจจะไม่มากัาวงวลกับเรื่องอาหารอย่รับประทานอาหารชนิดไหนดี อย่างนี้เป็นต้นรับประทานตามมีตามเกิดมีอะไรก็รับประทานไปแล้วเรื่องอาหารนี้ก็จะไม่มีปัญหาต่อไปจะถ้าไม่ชอบอาหารสมมุติเริ่มต้นใหม่ๆไม่ชอบอาหารก็ไม่ต้องรับประทา น, นถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องรับประทานพอไม่ได้รับประทานสักสองสามมือ้ออะไรเดียวมันอะไรก็ชอบไปหมดข้าวเป่าก็อร่อย ข้าวคุกน้ําปลาก็อร่อยนี่เป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเอาใจกิเลมา ก, กเท่าไหร่มันยิ่งชั่วที่จุกจิกมากขึ้นเทไนเลยลองเอาใจว่าอวันนี้ไม่ชอบนี้ชอบนี้ก็หายาให้กินเดี๋ยวพรุ่งนี้ชอบอย่างนั้นก็หายกิมันก็จะชั่วที่จุกจิกไปตลอดเวลาแล้วพอต้องรับประทานอาหารที่ไม่ชอบมันก็จะรับประทานไม่ลง แล้วมันก็จะมีความรู้สึกไม่ดีไม่สบายใจวเวลาต้องรับประทานอาหารที่ไม่ชอบใจก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราฝึกจิตให้ให้รับอาหารได้ทุกชนิดแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ใช้การการการคุกอาหารนี้ลงไปใ น, านภาชนะเดียวกัน กว่าไปมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการับประทานอ า, าอาหารชนิดไหนก็รับประทานได้พ <c oughs> อเราหมดปัญหารเรื่องอาหารนีแล้วเราก็กลั บ, บมารับประทานไปอย่างปกติได้ก็รับประทานอาหารในจานในจานในชามจะยยกกันอย่างคนมนุษย์ทั่วไปก็รับประทานก็รับประทานได้แต่ในจานมันไม่มีความรู้สึกยินดียินรายกับอาหารที่รับประทานท มีเวลาจะรับประทานเข้าไปเพระรู้ว่าเดี๋ยวมันก็เข้าไปรวมกันอยู่ในท้องอีกรู้ว่าเวลามันเข้าไปอยู่ในปากแล้ว ค, คุกกับน้ำลายแล้วถูกเคี้ยวถูกบดแล้วเป็นอย่างไรมันก็จะไม่รู้สึกอะไรมันก็จะรู้สึกเฉยๆรับประทานไปเพื่อรักษาร่างกายให้ให้อยู่ไปได้มันงบาง้างอ่งนั้นเอง พอเราหมดปัญหานี้แล้วเราก็ไม่ต้องมากังวลเราก็ก้าวไปหาก้าวไปหาปัญหาอันอื่นที่ยังเป็นปัญหาอยู่ถ้าเป็นเรื่องราคะตัณหาเราก็ต้องพิจารณาความความไม่สวยใน่งามอัศวะปฏิกรูปความสุขโกระกะกของร่างกายร่างกายมีส่วสุขโกระ ก, ะกขับถ่ายมาตลอดเวลาทางทางทวารต่างๆ มีแตที่ภาษาเราเรียกว่าเป็นมีแต่ขี้ออกมาทําตาก็เรียกขี้ตาออกมาทางจมูกก็เรียกขี้งูกออกมาทางผิวหนังก็ขี้เหนียมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นมันมีแต่ปฏิกูลทั้งนั้นเราต้องพิจารณาอย่างนี้ไปแล้วเราก็จะได้เกิดความไม่ชอบร่างกายขึ้นมา ก็พิจารณาเพื่อที่จะดับความค่ายความชอบทนั้นพอความค่ายความชอบหมดไปแล้วเราต้องไม่ต้องพิจารณาถ้าพิจารณาเดี๋ยวเราอยู่กับร่างกายเราไม่ได้เดี๋ยวก็จะผ่านฆ่าร่างกายร่างกายนี้จะปลกเนี้ออยู่ตลอดเวลาก็เดี๋ยวก็จะเกิดวิปริตขึ้นมาได้แต่ไม่อยู่กับคนอื่นไม่ได้ยังไม่เท่าไหร่แต่อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับร่างกายของตัวเองไม่ได้ต้องฆ่ารงกาย นี้ก็แสดงว่ามันมันเกิดอย่นี้เราเราพิจารณาปฏิกริยนี้เลอะอะอสุภานี้ก็เพื่อที่จะตัดความคายความยินดีทั้งเองเมื่อมันไม่มีแล้วเราก็หยุดเราก็อยู่ปัจตุตันเี่เพราะว่ามันไม่มีเราไม่เป็นปัญหาต่อไป เมือนรับประทานยาหายจากโรคนี้แล้วก็หยุดยามีได้ก็ไปหาหายามารักษาโรคใหม่ต่อไปถ้ายังมีโรคอะไรอยู่เราก็ต้องหายามารักษาไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีอะไรน้องเหลืออยู่ภายในในจิตในใจแล้วก็ไม่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง รักษาต่อไปเอเมนถ้าเรายังมีความรักตัวครัวใจอยู่เราก็ต้องพิจารณาความตายอยู่เรื่อยแล้วเราก็ต้องเอาร่างกายนี้ไปไปทิ้งไว้ในที่ที่มันจะเสี่ยงต่อความตายแล้วก็ปลงเหมือนกันปล่อยเหมืนปล่อยวางปล่อยให้มันตายถ้าถ้ามันจะตายก็ให้มันตายไปนี่ก็เป็นวิธีอีกที่หนึงมันเป็น เป็นยาเ อ, อแบบนี้ในการปฏิบัติของเรา ม, มันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้อยู่หลายหลายหลายขั้นหลายตอนนี้กันเรื่องอาหารเรื่องร่างกายอสุฉริะความสวยความไม่สวยในงานเพื่อจะดับราคะแล้วก็เรื่องความตา ย, ยก็เพื่อจะดับความโกรธตา เราก็นั่งให้มันเจ็บปวดแล้วก็ปล่อยให้ความเจ็บปวดนี่มันหายไปเองแต่นั่งเฉยๆไได้นั่งแล้วต้องทุจริตแยกแยะว่าความเจ็บปวดนี้เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งร่างกายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งใจผู้รู้ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นคนละส่วนกันเขาแต่ละส่วนนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเหมือนกับ ศาลาหลังนี้ก็เป็นศาลาอย่างเ ป, เป็นธรรมชาติอย่างแดดที่สองมาใส่ศาลานี้มันก็เป็นธรรมชาติอย่างคนที่อยู่ในศาลานี้ก็เป็นธรรมชาติอย่า ง, าา เ, ปรราางเป็นคนรเราส่วนกันก็ต่างก็ต่างคนก็ต่างอยู่กันไปของใครของมันกายก็ปล่อยให้ร่างกายเขาอยู่ก่อนที่เวลานั่งแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเขานั่งไป เวทํางานเขาเกิดขึ้นมาก็สอนให้เขาเกิดขึ้นไปยายผู้รู้ก็ก็รู้รไปรู้ว่าตอนนี้มีเวทนาเกิดขึ้นหรือว่าร่างกายนี้กําลังงออยู่ก็ต่างต่าก็ต่างทำหน้าที่ของต่างต่าแยกแยกแยะกันตถ้าทำอย่างนี้ถ้าแยกให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของขา่าโดยไม่ไดึง ใ, ใครมามาม า, มาเกี่ยวข้องกันลนะ มันก็จะอยู่กันอย่างนั้งแต่ถ้าใจมีกิเลสมีความหลงมาหลอกให้ปรุงแต่งว่าเวทนานี้เป็นเราร่างกายนี้เป็นเราความเจ็บนี้เรากาลังเจ็บร่างกายเจ็บเร า, ารเจ็ บ, จบถ้าคิดอย่างนี้นาะมันก็จะอยู่ไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ถ้าทิฏฐนาแยกแยะว่าร่างกายเป็นเพียงยินน้ำนมไส ร่างกายไม่รู้เรื่องของความเจ็บเหมือนกับดาราหลังนี้เขาอยู่กลางแดดกาลางฝนมาตั้งนมนานเขาไม่รู้สึกมีผลอะไรมีความปฏิกิริยาอะไรกับฝนกับอย่างฝนตกเขาก็รับได้แดดออกเขาก็รับได้ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้จะเจ็บหรือไม่เจ็บเขาก็เขาก็เป็นร่างกายเขาก็เป็นร่างกายเช่นเดิม เขาก็เป็นหนังเนื้อเอ็นกระดูกเช่นเดิมเขาไม่ได้เห็นเมตนาเขาไม่รู้เรื่องเมตนาเรื่องความเจ็บปวดความเจ็บปวดเขาก็ไม่รู้เรื่องร่างกายเขาก็ไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องตัวเขาเองว่าเขาเจ็บมีใจเนนที่รู้ว่าร่างกายเป็นอย่างนี้เมตนาเป็นอย่างนี้แต่ใจไปรู้แบบไม่จริงคือไปรู้ผิดไปรู้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นใจ พอมีความเจ็บเกิดขึ้นจากร่างกายใจก็เจ็บแทนร่างกายเจ็บจนทนหไม่ได้ที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะความเจ็บที่ทนไม่ได้ไม่ใช่เพราะทนความเจ็บไม่ได้แต่แต่ทนความทุกข์ใจไม่ได้ความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บนี้มันหายไปหรวอหยากจะหนีจากความเจ็บนี้ไปไอความไอตัวนี้น่คงหาที่ทนไม่ได้ คือทุกที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปด้วยความความอยากที่จะหนีจากความเจ็บนี้ไปอยากจะขยับร่างกายอย่างนี้มันต้อง น, อนี่คือนี่คือปัญหาของของขอ ง, ของใจเวลานั่งแล้วไม่สามารถปล่อยวางร่างกายไม่สามารถปล่อยวางเวทนาให้เขาอยู่ตามสภาพของเขาเพราะใจไปมีอุปทานทั้งใน ร่างกายและในเวทนาร่างกายก็อยากจะให้ร่างกายไม่มีไม่มีเวทนาไม่มีทุกเวทนาไม่มีความเจ็บปวดเวทนาก็ไม่ชอบความเจ็บปวดไม่ชอบทุกขวเวทนาชอบแต่สุ ข, ขวเวทนาพอเกิดทุกขวเวทนาก็เกิดตัญหาขึ้นมาตัวนี้เพราะว่าัญหาความอยากให้ให้ตัวนี้หนีไปหายไปจาก นี้ไปจากให้ความเจ็บปวดอันนี้ด้วยความอยากให้ความเจ็บปวดนี้หายไปมันก็เลยสร้างความทุกข์ขึ้นมาในใจความทุกข์ทรมารนจใจที่เจ็บปวดเรื่กว่าความเจ็บปวดของของเวทนาที่เกิดทําร่างกายถ้าเราสามารถแยกแยะได้แล้วทำใจให้นิ่งหยอกตังหา คือวิภาวะทหาคือความกลัวความเจ็บหรือความอยากให้ความเจ็บนี้หายไปได้เจ็บตัวให้มันเจ็บไปนั่งรับรู้มันไปพอรับรู้ได้ต่างตาั่างใจยอมรับความจริงของร่างกายยอมรับความจริงของเวทนาว่าเขาเป็นอย่างนี้ร่างกายเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็นั่งของเขาไปได้เรื่อยๆเขาไม่เป็นปัญหาอะไรเวทนาเขาจ ะ, สะแสดงในรูปแบบไหนก็ปล่อยเขาสแสดง รับได้ทุกรูปแบบจะเป็นทุกเวทนาก็ได้เป็นสุขเวทนาก็ได้ไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็ได้จนยาเราจะรับได้สองส่วนนั้นเองคือสุขก็เวทนาก็ไม่สุขไม่ทุกเวทนาแต่บางทีแม้แต่ไม่สุขไม่ทุกเวทนาก็รับไม่ได้เช่นอยู่เฉยๆร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดแต่ไม่มีอะไรทาก็รู้สึกหมดเยื่อตรงฐานใจ ต้องหาอะไรมาให้ความสร้างสุขเวทนาขึ้นมาไปดูหนังหรือไปหาเครื่องดื่มมาดื่อย่างนี้ก็เพื่อที่จะต้องการสร้างสุขเวทนาขึ้นมาเราจึงมีการหาคกอมีความชอบในสุขเวทนาโดยผ่านโดยผ่านการหาความสุขทางทางรูปเสียงกลิ่นรสผัพพะ ก็เลยเป็นกรรมฐานาขึ้นถ้าเราไม่มีความอยากในสุขเวทนาเราก็จะไม่มีความอยากในกรรมฐานาการมฐานาเราก็จะไม่ต้องหาเครื่องดื่มต่างๆมา ด, ด, ดื่มระหว่างมือ้อจะจะรับประทานจะรับประทานของเดียวดื่มอะไรก็เดือดในหอมเดียว จะดื่มน้ำชากาแฟจะรับประทานขนมนมเลยอะไรต่างๆก็รับประทานไปที่เรียกว่างกับอาหารพอเสร็จแล้วทีนี้ก็ดื่มแต่ย่างปากนั่นก็ร่างกายต้องการย่างปากนั่นเองแล้วก็จะไม่รู้สึกเหดือดร้อนใจอ่ลย ไ, ไม่เตีย้ยวปากไม่รู้สึกมันอะไรเนะนียคุณนม่นขาดอะไรไปเหมือนพวกเราขาดกัน เราต้องมีของพวกนี้อยู่ใกล้อยู่ในตู้เย็นอยู่ในตู้ยอยู่ในลิน้นชักที่ทำงานอยู่ในกระเป๋าเนี่ยต้องมีอะไรคอยขบคยขอยเที่ยวคอยดมคอยลือมอันนี้เป็นคามสามารถอนี้เป็นความความความอยากในความสุขเมทาพราะเราไม่ปล่อยเวทานาให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาสุข ก็ปล่อยก็สูญไปไม่ต <t inker> ้องไปยึดไปติดเวลาความสุขหายไปก็ไม่ต้องไปไขวยคว้าหามันมาเมื่อสุขเวทนาหายไปมันก็เหลือแต่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่กับไม่สุขไม่ทุกข์แล้วเหลือแต่ไม่สุขไม่ทุกข์เปลี่ยนมาเป็นทุกขเวทนาเช่นนั่งนานๆแล้วก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็ป่อยมันเจ็บตรงนี้ปวดไปหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วดมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็ปล่อยมันเจ็บไป รักษาได้ก็รักษาไปในขณะที่รักษาอยู่มันยังเจ็บอยู่ก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ได้จะทุกข์ธรมดาใจเท่านาั้นรักเวทนาได้ทั้งสามทั้งสามส่วนสุก ข, เ, ขเวทนาก็รับได้ทุก เ, เวทนาก็รับได้ไม่สุขไม่ทุกข์เวทนากรับได้นี่ก็เป็นการแก้ปัญหาปัญหานึงที่มีเรื่องกันทุกคน เราก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆต้องพิจารณาดูเรื่อยๆใจเราว่าเรามีปัญหาชนิดหนเหลืออยู่เราก็ต้องแก้มันไปเรื่อยๆจนไม่มีปัญหาความอย่างชนิดใดเหลืออยู่เลยตอนนั้นปัญหาต่างๆมันก็จะหมดไปเมื่อไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่อย่างสบายไม่ต้องแก้ปัญหาไม่มีปัญหาให้แก้ โลคภัยไข่เียบไม่มีแล้วก็ไม่ต้องรับประทานยาไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องรักษาีไม่ต้องให้ทนไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญปัญญาไม่ต้องเจริญสติการก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีมันมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ใช้มันแบบ แต่เพื่อจะมารักษาหรือดับกิเลสดับตัญหาเพราะั้่มีอะไรให้ดับอยู่ันก็มีไว้ใช้งานทั่วไปเป็นเวลาสั่งสอนผู้อื่นก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเหมือนกันเวลาทําภารกิจดูแลร่างกายก็ต้องมีสติรับประทานอาหารก็ยังมีสติมีปัญญาอยู่ก็ยังใช้อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ได้ใช้ไปในการดักเกลืไม่ได้ใช้ไปในการตัดลักษาะโรคทำงานเชื้อโรคของเจ้าไปอย่างใหญ่ใจก็ยังยั ง, ย, งยังมีอยู่เช่นทานก็ยังทําอยู่เห็นใครเดือดร้อนเรามีอะไรพอจะสงเคราะห์ใครได้เราก็สงเ ค, คราะห์เขาไปถีลเราก็มีเราก็ไม่ได้ไปหยิบยืมใครับ ไม่อยากจะดุเดินไปเพราะไม่มีความอยากที่จะไปได้อะไรมาเมื่อไม่มีความอยากที่จะได้อะไรมามันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปดุเดินด้วยมันมีสิ่งแต่ละแบบมะคราบว่ามันไม่ต้องเจริญสิ่งนี้ต้องรักษาสิ่มันเพราะปัญหาที่ทําให้เราทําผิดสิ่งผิดธรรมนั้นก็คือตัวปัญหานี้ชั่โเกศนี่เอง ปัญหาที่ทําให้เรามีทางตื่นมีความหงแหนก็เคยตัวกิเลสนี้ที่เราทําทาง น, นี้ก็เพื่อตัดกิเลสตัวหงแหนตัวยึดติดใ น, นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆแต่เมื่อมันไม่ดีแล้วเราเราจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้ถ้าป่วยไว้เฉยๆก็ได้มีสมบัติีมากน้อยเท่าไง จะวางไว้ีเฉ็ๆแล้วจะเอาไปทําประโยชน์ก็ยากยากแต่แต่สำหรับคนที่ไม่มีความตระนี่แล้วก็ไม่รู้จะเก็บเอาไว้วทํำไมก็เอาไปส่งข้าวโลกเอาไปทําประโยชน์ให้กับผู้ที่ตกทุกข์ดได้ยากไปแต่ไม่ได้ทําเพื่อตักเตือนไม่ได้ทําเพื่อตักพานตระหีไม่ได้ตักอุปทานทําเพื่อตักอุปทานมันไม่มีจให้ตั การนั่งสมาธิก็ไม่ได้ทําเพื่อมารับความกล้กล้าการเจริญสติก็ไม่ได้ทำเพื่ อ, เ, เ, พอเพื่อการไม่มีสติเพื่อการดับความไม่มีสติมันใี้สติอยู่ตลอดเลลวลาโดยธรรมชาติไม่ต้องตั้งเพราะสตินี่มันไม่หายไปไหนมันไม่เจริญเรเศมอของผู้ผชมถ้าไม่ตั้งเพราะถือตั้มันก็ใจรอยหแล้วไม่มีสติ แต่นี่ใจมันไม่ลอยมันไม่ไปไหนมันอยู่กับที่ของมันตลอดเวลาอยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาถ้าไม่สั่งให้มันไปอดีตไม่สั่งให้มันไปอนาคตมันก็ไม่ไปมันก็อยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนี่คือใจที่ไม่มีปัญหาแล้ว ดังนั้นการปฏิบัติหรือการเดินจงกรมนั่งสมาธิของพระขีนาศพของพระพุทธ้าของพระหลังจต่งางรงเรียนท่านทำเพื่อความอยู่อยากสบายของสังขารร่างกายขึ้นมากกว่าร่างกายนั่งมากๆมันก็เมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมเดินเปลี่ยนในระยะออกไปบางทีทํางานมากๆใช้สังขารมากๆเพื่อหยุดเงินพักๆหนึง่งก็เข้าสมาธิไปพักจิตให้ แต่ไม่ได้แต่รับความเคร่งงไม่นั่งก็ได้นอนแท้นอนเลยก็ได้ตอนเบื่อทำงานเส็บเองอะไงคิดมากก็หยุดคิดนอนเลยตอนนอนตั้งมาเรื่องหนึ่สานี่ก็หายไปนี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติดีตรงที่ว่ามันมีวันขึ่งสงานนี้ไม่ต้องทำไป ต, ตลอดในงานทางโลก บงคนเกษียณอายุแล้วยังหางานใหม่ทำต่อเพราะกิเลสไม่ยอมให้หยุดตัญหามันไม่ยอมให้หยุด อ, อ, อยู่เียๆแด้งมันลาคานใจมันเคยทำอะไรอยู่เป็นประจาแล้วพอมันไม่ได้ทำแล้วมันรู้สึก ว, ว้าวเวยรู้สึกหงุดหงิดลาคานใจก็ต้องหางานใหม่มาทำทำไปจนกว่าจะไม่สามารถทำได้แล้วถึงจะต้องอยู่ แต่งานทาทำนี่เมือ่อเมื่อได้รักษาใจให้หายจากโรคแล้วเมื่อได้ทำลายเกิื่อนปัญหาให้หมดไปจากใจแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องทำก่อไว่าสบายตลอดเวลาถ้ายังอยู่ก็ดูแลรักษาร่างการที่ไปใด้เองแล้วถ้ามี โอกาสที่จะปบรมสั่งสอนใครด้านก็อบรมสั่งสอนไปแต่ผู้ที่อยู่ในสภานนี้จะไม่มีความอยากสอนใครมันไม่มีความอยากเพามันต่างความอยากหมดแนละ้วมันจําเปน็นจะมีความอยากเหนื่อยแม้ท่านจะความอยากส้อนใครก็ไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้แล้วท่านก็ไม่อยากสอนใครแต่ถ้ามี มีเหตุมีปัจจัยให้สอนให้ก็สอนได้ถ้ามีคนสนใจมามาศึกษาอย่างนี้ก็สอนอยาจะไม่ไปประกาศตัวเองว่าเราเป็นศาสดาเนเะหมือนกับเป็นติดโรษณาไว้าตามสถานที่ตา่างๆว่าใครอยากก็เรียนปฏิบัติธรรมก็มาหาเรานะเราจะสอนให้อย่างนี้ไม่มีอ แต่ถ้าเขาอยากจะมาเองก็ก็ดูว่าเขามีศรัทธาจริงหรือไ ม, ม่เขามีเขามีความสามารถที่จะรับคาสอนนี้ไปปฏิบัติได้หรือไ ม, ม่ถ้าเขามีก็ยินดีที่จะสอนแต่ถ้าสอนไปแล้วเหมือนกับเทน้นใส่หนังสินักตรง น, นี้ก็ไม่สอนเสียเวลาเสียดายน้ำก็เทเข้าไปเท่าไหร่ ตัวนักมันก็สลับขึ่นอนเท่าไรก็ไม่เข้าไปในใจร้อนเข้าหูซ้ายออกหูขวาี น, นี้สองใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรร้อนไปกี่ครั้งก็กลับมาถามปัญหาอันเดิมนี้ก็แสดงว่าไม่ได้อาจจปฏิบัติเแต่ถ้าถามปัญหาวันนี้เราถามได้ามาถามปัญหาอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่ที่ถามไปนั้นแก้ได้แล้ว อย่างนี้ก็แสดงว่าอได้ผล ไ, ได้ประโยอย่างนี้ก็น่าสอนต่อจากกลับมาที่ไรก็สอนถามเรื่องเดิมอย่าง น, นั้นสวรรค์อี้ไหนแลลกอยูี้ไหนถามอยู่เรื่ยสวรรค์มีจริงหรือเ่ตาต้องไปเยนเยียหรือไม่ไปดี <c oughs> ถ้าผู้ปฏิบัติริ่งแล้จะรู้ว่าอินเดียวนันไม่อยู่ตรงไหนอินเดียมันไม่อยู่ตรงนี้แหละ อยู่ที่ใจเราเนี่ยไม่ต้องไปที่ไห น, นทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเนี่ยเขาพูดก็ทําขาสงไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราผูเาดด้เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นัน้นเห็นเราจต่างาุศลผู้ที่เห็นจต่างกุก็คือผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบก็คือพสงฆ์เนี่วการที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็ต้องปฏิบัติที่นันแล้วต้องปฏิบัติที่ใจมันไม่ใช่ปฏิบัติที่อินเดียไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ปฏิบัติได้ถ้าอยู่ที่อินเดียก็ปฏิบัติที่อินเดียถ้าอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติตรตรงนั้นแบบนอกจากว่าที่ตรงนั้นมันมันไม่จับปลายะเท่านั้นเองมันไม่เอื้อต่อการปฏิบัติไอ้อย่างนี้ถึงต้องหาที่การหาที่นี่ไม่ได้หาที่เพื่อ เพื่อทําให้เกิดอะไรพราะคิดว่าที่ตรงนั้นมีมรรคผลนิพพานและคิดว่าที่ตรานั้นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสองฆ์อยู่อันนั้นไม่ใช่เป็นการหาที่การหาที่เก็หาที่ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติให้ปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาในใจหลบท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นที่สงบสงบนีบ่เว้ตามป่าตามเขา หรือที่ที่เราต้องไปพิสูจน์ธรรมะอย่างนี้เราก็ต้องไปเช่นเราอยากจะไปพิสูจน์ความกลัวความกล้าว่าเรามีหไม่ยังมียังหมดนี้ความกลัวตา ย, ยังมีอยู่หรือเปล่า<ช>ก็อยากต้องก็ต้องไปหาที่ที่มันท้าทายต่อคามตายเพื่อเราจะได้พิสูจน์ว่าเราเรารัความกลัวตานี้ได้นี้อย่างนี้ก็ต้องไปหาที่ แต่ทั้งหมดนี้ที่นั้นเป็นเพียงเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนเป็นชนวนเท่านั้นเองเป็นเหตุที่จะทําให้ปัญหาที่ภายในใจนี้มันหมดไปทั้งหมดนี้อยู่ในใจเราหมดไม่ว่ามนารษหรือสวรรค์มากคของนิพพานอยู่ในใจเรานี่หมดใจเราเป็นผู้สร้างเหมือนกูนมาทุกวันนี้เรากําลังสร้างพบต่างๆ ด้วยการกระทำของเราถ้าเราทําบาปด้วยความโลภเราก็กําลังสร้างเกิดขึ้นมาในการเราถ้าเราสร้างถ้าเราทําบาปด้วยความมาคาตก็จบาปเราก็กําลังสร้างอารมณ์ขึ้นมาถ้าเราทําบุญด้วยความเมตตาคุณาเราก็กําลังสร้างเทพขึ้นมาถ้าเรากําลังสร้างความสงบให้กับจิตเราก็กําลังสร้างพรมขึ้นมาในจิตของเรา ถ้าเรากำลังสร้างาสร้างปัญญาพิจารณาตายลักแล้วก็กรอง น, นิจจังทุกขังอนัจจาได้เราก็กำลังสร้างพระนบญจเจ้าขึ้นในจิตข อ, ง, องเราจิของเราเนี่แหละที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างตามสภาพของกรรมที่ทำมาเพราะฉะนั้นวัตวนวัตตงสายที่เรียกว่า กายภพเนี่ยก็เป็นจิตทั้งนั้นนี่ยจิตเป็นผู้สร้างขึ้นมาแย่าพวกเราทั้งหมดเนี่ยก็แต่ละคนก็สร้างไม่เหมือนกันบางคนก็กำลังสร้างการมภพ บ, บางคนก็กำลังสร้างรูปภพ บ, บางคนก็กำลังสร้างมรรคผลมิตพันแล้วแต่ละคนจะอยู่ที่การกระทำคือกรรมเนี่ยกําเอากำลังสร้างภพต่างๆขึ้นมาไายใใจของเ ใจของเราจะเป็นพบชนิดไหนก็อยู่ที่ที่กรรมคือการกระทาของเราใจของเราจะเป็นสัตชนิดไหนก็อยู่ที่การกระทาของเราดัางที่ในภาลวีที่แสดงไว้ว่ากรรมเป็นเครื่องจาแนกแยกจากเนี่ยก็กรรมนี่แหละทำอะไรก็จะเป็นสัตว์ชนิดนั้นทำบาปเพราะความโลภก็จะเป็นเปรตทำบาปเพราะความมาฆาตใจแบบก็จะเป็นนรก ทำบุญด้วยความเมตตาปัญญาก็จะเป็นเทพทําจิตให้สงบด้วยสมาธิอย่างนี้ก็จะเป็นครจเจริญปัญญาพิจารณาใจแล้วก็จะเป็นพระอาริยเจะมันเป็นอย่างนี้ของมันอยู่ที่กรรมคือการกระทําของพวกเราตอนนี้พวกเรากําลังมาทําส่วนที่ดีทายสีนี้ก็จะทําให้เราเป็นเทพ นั่งสมาทิก็จะเป็นโทมข้าราชงปัญญาตรงตัดกิเลสยาตัดทันหายน้าก็จะเป็นพระอริยะเจ้าเป็นมรรคเป็นผลเป็นรูปผานไปอยู่ที่ตัวเรานะั่นัองอยู่ที่กายวาจาใจนี่เองหรือจะว่าอยู่ที่ใจดวงเดียวก็ได้เพราะว่ากายวาจาก็เป็นเพียงเครื่องมือของใจนี้เองถ้าไม่มีใจแล้วกายวาจาก็ไม่มีความหมายอะไรหือคนตาย ไม่สามารถพูดอะไรได้ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะไม่มีใจเป็นผู้สั่งการดังนั้นกรรมที่แท้จริงผู้ที่ทํากรรมที่แท้จริงก็มีใจโดยอย่างนีน้นใจเป็นผู้กระทำและใจเป็นผู้รับผลใจเป็นผู้สร้างสร้างโลกต่างๆขึ้นมาสร้างสวรรค์สร้างนรกสร้างภพสร้างภูมิต่างๆขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจของเราเท่านี้เอง ถ้าใจเราได้รับการไ ด, ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องใจของเราก็จะสร้างพบชาติที่ดีให้แก่เราถ้าใจเราได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ใจเราไปสร้างพบชาติที่ไม่ดีให้กับเราพวกที่มีความหลงมากๆนี้แสดงว่าได้รับข้อมูลไม่ถูกต้องพวกที่คิดว่าราภโยชนะแสนสูงนี่คือ คือคือเส้ที่ดีนี่ก็แสดงว่าหลงนะเมื่อเราไปหลงกับลาบยศจันทร์เซนสุดเราก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมเพราะมันได้มาเท่าไรมันจะไม่พอ <c oughs> ได้มาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นแล้วถ้ามีวิธีไหนที่ทำให้ได้เพิ่มมาก็จะทำแต่จะต้องทำบาปเพื่อจะให้ได้มาก็จะทา มันก็มันก็เลยต้องไปสร้างสร้างทบที่ไม่ดีให้กับใจแต่ถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องว่าราบยุสาสเถสงนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีสาหรับจิตใจสิ่งที่ดีสาหรับจิตใจก็คือทานศิ่ภาวนานอยานี้เราก็มามาสร้างทานสิ่งภาวนานเราก็จะได้สร้างพบชาติที่ดีให้กับใจ สร้างสวรรค์สร้างมรรคผลวิพากให้กับเราเการที่เราได้พบพระพุทธศาสนาก็เท่ากับเราได้รับข้อมูลที่ดีข้อมูลที่ถูกต้องข้อมูลที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญถึงขีดสูงสุดได้ถ้าเราไม่พบพระพุทธศาสนาเราก็จะมีแต่ข้อมูลที่จะ ที่จะพาให้เราไปพัฒนาเรือธรรมจิตใจของเราให้เสื่อนถึงถึงขีดที่ต่ำสุดคือหารกเป็นผู้ที่ทำาบาปทำการมฆ่าผู้อื่นก็ต้องไป็นารกบเพราะงั้น ถ, ถือว่าพวกเรามีบุญมีวาสนาที่ได้มาเจอพบข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ถูกต้องพวกเราก็ค <c oughs> วรที่จะเชื่อในข้อมูลเหล่านี้และควรจะทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราทั้งหมดนี้ปฏิบ <c oughs> ัติตามข้อมูลที่ถูกต้องนี้ก็คือเจริญให้มากในมรรคนี้เองมรรคต้องเจริญให้มากก็คือเจริญทางเจริญศีลเจริญภาวนา ทำแค่นี้เองสามข้อนี้ทําไมจะทำไม่ได้ทำไปเลยกลับไปบ้านไปดูเกิดงวดทีดูแล้วเนีิยเดือนเท่าไหร่พอหรือยังถ้าตอนแล้วก็ออกก ง, งาน <c oughs> มาปฏิบัติธรรมดีกว่ามานักษาศีลมาภาวนาดีกว่า <c oughs> จะไปหามาอีกทำไ ม, มไม่ได้ทําให้เราจเจมันขึ้นแต่มันกระชุดล่าให้เราลมต่ําถ้าเราไปยึดติดกับ น่ายดกันแเสรจุดทางโล ก, น, ก, น, กนี่ก็ไี้ก่อน ลูกการนี้ไม่ส <ót> ร <ano> mm ้างก็อ hmm. ย <t S> ู่ได้พอว่ามันก็มาสร้างบ้านที่ท่าไม่สร้างเรือนใจทางบ้นมันยังอยู่ได้ก็อยู่ต่อไปนะครัอยู่ไม่ได้จิตจก็ตายแล้วแตเรือนใจนี่ยังไม่มีเดี๋ยวก็ต้องไปท่องท่องท่องอยู่ในภบน้อยภพใหญ่ถ้าสร้างเรือนใจแล้วก็มีที่อยู่แล้วสบายไม่ต้องไปไหน ขาดอะไรขาดศรัทธาเลยศรัทธาก็ม enfin ีวามวิริยะวามเพียความเพียงแล้ก็ปุกปลุกมันว่าชีวิตเราช้างเราช่างลงเวลาน้อน้อยลงไปเรื่อยๆเวลาที่จะสร้างแรงจางของเราเนี่ยมีน้อยลงไปเรื่อยๆต้องปุกต้องปลุกวิริยะความท่าเพียนให้เกิดขึ้น เือดูศึกษาที่ว่าประวัติของพระอริยสองเนวดาไม่ง้ถ้าเราไม่คิดไปในทางนี้มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมาหลอกมาล่อให้เราต้องกระติด ท, ทำอยู่ตล อ, อดเวลาก็เหมือนตานที่เราเริ่มศึกษาไปไหนแลนน้วอ่านไปอยู่เกือบสามเดือนอ่านแต่เรื่องนั่งสมาธินี่แต่ยังไม่ได้นั่งสักครั้งเลย ก็อยู่วันหนึงแลถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ได้นั่งสติพ อ, อได้สติก็นั่งเลยนั่งมันตอนนั่งเลยพอได้สติตามว่าเราศึกษาเรื่องนั่งสมาธิมาต้องนานแล้วนะแต่ไม่เคยนั่งเลยอละก็เลยเอามันตรงนั้นเลยพอคิดได้ปั๊บทางนั้นก็เอามานตรงนั้นเลยมันถึงเป็นที่จุดต้องการเรื่องต้นขอ ง, า ง, งการปฏิบัต ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าไม่เริ่มปฏิบัติมันก็จะไม่ปฏิบัติอย่างนี้มันก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคอยหลอกมาล่อเราอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวก็มีขอขับวันไปเรื่อยๆเดี๋ยวขออาทิตย์นเดี๋ยวขอเดือนหน้เดี๋ยวให้เสร็จเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวมีปัญหานี้องแก้ฝอนมันก็มีเรื่องอยู่เวื่อยอย่างพ่กเราเนี่ยมาเรียนก็นต้องเกือบห้าปีแล้วไปปฏิบัติเป็นนิจแค่กี่วัน เคก่กระเมินอยู่ บ, บ้างก็แบแม้กระทั่งมาบวชแล้วมันก็ยังมีเรื่องอื่นมาหลอกมาล่อให้ไะทำอย่างอย่างพระอานนทนี้ท่านถึงแม้ท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็ยังเป็นอยู่ตรงนั้นถึงที่สุดหน้าสี่เพอก็มีเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ต้องคอยประมแต่พอสิ้นพระพุทธเจ้าไปเพียงสามเดือนนี้ ก็บรรลุเจ็บงานงานเหรือแค่สามเดือนแต่ปล่อยขึีนมตั้งยี่สิบห้าปี่นมองไปในทางมรรคเนี่ยแต่ในมองในทางโลกก็ดีหรอที่ท่านเสียสละที่คอยกระทำพาะพระพุทธเจ้าก็เป็นประโยชน์แก่โลกเพราะท่านมีความจำที่ดีพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่านี้เขาา้าอนจําได้ดนั้น กตรมดีแต่ไม่ดีกับตัวท่านเองไม่ดีกับใจของท่านหรือว่าอาจจะเป็นกรรมของท่านที่ท่านจะต้องบำเพ็ญแบบแบบนี้ไปก่อนคือต้องต้องฟังเทศฟังธรรไปนานานตอน2ยี่บห้าปีส่อนถ้าเป็นค่อยออกปฏิบัติพวกเรายังต้องไปหาครูอาจารย์กันเรื่องเนี้ยแต่ฟังองงานจะฟังองเล่นอยู่ ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติก็คือมันอยู่ที่ตัวปฏิบัตินะปริญญาเป็นเพียงส่วนหนึ่ ง, ทงเท่านั้นแต่ตัวสําคัญอยู่ที่ปฏิบัติแต่ก็ต้องอาศัยปริญญาตแต่ปริญญานี้กับปฏิบัติเนี้มันสามารถไปพบคู่กันได้ <c oughs> ไม่ใช่ปริญญาอย่างเดียวแล้วก็ทิ้งให้ปฏิบัติเปนเียงกับ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลไม่ม <W> ีใครสนใจมันต้องไปด้วยกันทำเทศทําพื่อปล่ยวางก็ตั้งไปบ้านครับวันนี้ก็ไปนั่งเลยปล่อยให้มันเจ็บให้มันปวดไปเลยหร้อก่อนเอ้เนี่ยเออสุภะษี่ดูเลยตรงทีเอาไปแล้วที่ไม่เป็นเดิอนไม่เลยบางคนไม่ไม่กล้าเปิดกลัวกลัวความเจ็บเพราะความจริงมันเจ็บเนี่ย ดูแลดูแลดูแลชอบพักแรกชอบพัแรกแรกล้วารเอาไปากเอ่กล้าดูแลต้องกล้าดู มันไม่ไม่าเกียนกลัวหรอเพราะว่ามันพแนจะาใจหาใครจะลดความอ้วนก็ดูก่อนอาหารนะครับาไปไม่ดูแล้วันจได้ใครจะลดความวนก็ดูก่อนหร้ก็สั่งก่งนะสั่งก่งเลยมีแค่สองตอน คงมีหลายตอนนั้งแต่ที่ได้มารู้สึกว่าถ้าคงจะออกราการคงารโทรที่ยเก็บที่อัน่นเนีแล้วคนก็คงจ ะ, ะบันทึกว่ามันเราได้มาเป็่ตอ น, น, ตอ น, นถ้าอยากได้ตอนนองก็ไปเสิร์ชในกูกิก็ได้เอาชื่อทั a t i นเนชั่สถาบันที่เอาเอ า, เอาสองทัสตินเนชั่นเข้าไป ไียขากปนั <I S 2> ้นคงจะพร้อมนใครยังไม่ได้้งอังของอ่งงนนโันนันัง่ันนันบแันน่่น่นัน่บ ตแต่ถ้าดูในแง่เนื้อศัลย์มันก็มหัศจรรย์ก็ดูว่ามันเป็นธาตุหรว่ามันเป็นเหมือนกับร่างกายนี่เป็นเหมือนทุ๊กตาตัวนึ่นเร า, าการนี้ดันุ๊กตาตัวนี้มาเล่น แต่ว่าใจนี้มันงงคิดว่าตุกตาตัวนี้นตัวมันคอามตุกตาตัวนี้เป็นอะไรขึ้นมาก็ตกใจที่ตายคือตัวที่ตกใจไม่ได้ตายใจไม่ได้ตายเจ้าของตุกตาไม่ได้ตายตัวตุกตามันตายความยิงตุกตามันก็ไม่ตา ย, อาอ ย, ตาตายแตมยางงา่มันหยุดทำงานนั่งเสียเหมือนกับรถที่มันเสียรถมันไม่สามารถทํา ง, งานได้แล้วแค่นั้นเอ ร่างกายนี่เวลาตายไปก็แสดงว่ามันมันเสื่อมมันทํางานไม่ได้หนุนซ่องไม่ได้มันมีแต่จะต้องค่ายปล่อยให้มันเน่าเปื่อยนไปทำนั้นเองกลับเป็นสุนภาพเดิมของเขาดูอย่างนี้ก็ได้ดูร่างกายว่าเป็นธาตุสิว่าเป็นเป็นทุกตาตัวเองไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็เหมือนกันใช่ไหม ส่วนคาถาหน้าผากนี้เป็นสมหนร่างกายคนนี้เราคนเลี้ยงคนพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นพเรือแต่ก็เป็นทุกข์าถุตนที่ต้องแก่ต้องเสจ็บต้องตายเป็นที่สุดถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็จะไม่รู้สึกอะไรเราต้องมองอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเตือนใจอยู่เรื่อยๆและพอเวลาที่ เขาตายไปเราก็จะไม่เสียหนักเราจะรู้ทันรู้ทันความหลงความจริงเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ใจเราไม่จริงกับเขาเลยใจเราไปหลงกับเขาใจเราไม่อยากให้เขาแก่เขาเจ็บเขาตายจากเราไปไม่ว่าจะเป็นตุกตาของเราไม่อตุกตาของท่านอยเราก็อยากใจให้อยู่ไปนานๆใจมีเตินไปไม่ได้ ตามหลักความคืนมันต้องมันต้องแก่ต้องเก็บแล้วต้องการไปในที่สุดถ้าเรามองเห็นว่าเป็นเพียงตุ๊กตาตัวนึ่งเราก็จะรู้สึกเฉยๆเหมือนแก้วใบแก้วแตกแล้วเราก็เก็บเอาไปเทใส่ถังขยะอยู่แร่ของหนุตาหลังจากเผาสบเสร็จแล้วท่านก็เอาเศษจะลูงเศษที่เท่ากปโดยใต้ต้นผงก็เป็นดินได้พอไปเคยเก็บดิน เรียบร้อยนะเผาบ่ายเผาข้างวันพอลูกช้างคือเผาที่หน้าศาลาเนี้ยหลักศาลาที่ภานว่าตั้งตั้งนึ้งไม่ไม่ได้ก่อนเนยเอาคืนมาก่อไม่เนยแล้วก็เอาโลงศพไปตั้งไว้แล้วพอถึงเวลาก็จุดไฟเผงพอตอนดึกพอไฟไหม้หมดแล้วเขาก็กลัวเขาก็เจ็บเจ็บที่ต้งที่เท้าไปโดยใต้ต้นโพนวัด ตอนเช้านู้นามาทีศาลาไม่มีอะไรเลไหลืออยู่เลยไม่มีสร้างเหลืออยู่เลยเรียบร้อยเล mm hmm. ตอนต้นฉันจะให้เผาวันที่สี่เลยเด mm hmm. ี๋ยวตอนเช้าฉันจะให้ให้เผาตอนบ่ mm hmm. ยายพีาตพี่น้องขอขออนุญาตให้เก็บไว้สเกคจะได้บอกากพี่น้องตรงหนยที่อยู่ที่กาอยูุ่รีไ้มารลื่อนงานสัตว์ก็เลยเก็บไว้ึ้น mm hmm. แต่แล้วก็ไม่ได้มีการส้งสดแม้ที่เขียวใครอยากจะมาไหวาก็มาว่าแต่ไม่มีพระมาะนั่งสวดสสคุศล า, า, า, า, าไม่มีอะไรตรงนั้เวลาเผาก็ก่อนจะเผาก็นี่มองพระครูบาอาจารย์จิตลูกมาบังุกุลไม่มีคุศลาไม่มีอะไรกุศลาคือความเจลิญ ความเริญวัคือเนี่ยต้องพิจารณาว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวนี้เป็นดินน้ำมินไฟที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องทําตอนที่มันยังไม่ตายตายไปแล้วไปกปปรุตะวันไรไปกรุเจราญกับอะไรกุเจราญแล้วกุเจริญกับตัวเรานี่หรอครับคนที่ยังอยู่คนที่อยู่เนี่ยต้องกรุเจริญไปี่มนต์พระมากุเจริญทำเลยพระท่านก็ต้องกุเจราตัวของท่านเองร่างกายของท่านเอง พเราก็ต้องขุดชะลาร่างกายของพวกเราจะต้องสร้างความชะลารให้แก่ใจของเราให้รู้ทันธรรมชาติของร่างกายว่าเป็นเพียงยินน้ำหล่นไฟเป็นอาการทางจิตใจมาจากดินน้ำหล่นไฟแล้วก็มีอายุขัยมีขอบมีถึงต้องแก่ต้องเสจ็บต้องกายก็มีทั้งเองแล้วการทำบัณฑุกุลจริงๆแล้วก็ไม่ไม่จําเป็นใช่ไหมค S <S บากสกุลในสมัยอดีตนั่นแปลว่าเป็นการจะเก็บผ้าที่กักทิ้งในป่าเพราะสมัยก่อนไม่มีใครถวายผ้าผือให้กับพระสมัยที่พระศาสนาเริ่มต้นใหม่ๆพระต้องหาผ้าตัวเองหาผ้ามาเย็บเป็นชุดก็ไปหาผ้าที่กักทิ้งในป่าช้าก็เลยเรียกว่าต้องสกุลเราก็เลยเอาธรรมเนียมนี้มาใช้กับชาติเกิดตับคนตาย เวลาคนตายแล้วก็นิมนต์พระมาบางตระกุลมาถวายผ้าให้พระท่านซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับคนตาย อ, อไม่เกี่ยวในเรื่องของผ้าตัางหากเรื่องของให้พระมีผ้าจีวนนัรไม่ยุ่มๆคนที่ทําก็เพียงแต่คนทําก็ได้บุญเป็นทานเป็นทานมุวัตถุทานแต่คนตายไม่ได้อะไรเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรนอกจากว่าบุญที่เราอุทิศให้กับเขาเท่านั้นเองส่วนนั่นเขาก็ได้ถ้าเขาเป็นเปรต แต่ถ้าเขาไปเกิดเป็นสวรรค์เป็นเทพไอบุญอ mm ุท hmm. ิศนี้ก oh, ็ไม่มีความหมายในสาหรับรับเพราะบุญอุทิศนี้เป็นเหมือนเพียงค่าวัดเท่านั้นเองที่จะพาให้เขาไปสู่อิทธิพลหนึ่งการการทําบุญุทิศนี่ก็ไม่จำเป็นต้องทําพิธีการอะไรเพียงที่เี่การตั้งจิตของเราช่งได้เท่านั้นเองก็เท่านั้ว่าเวลาเราให้ทานถวายของแล้วเราก็เล่นคิไปในจิตของเราก็ เขาคิดบุญส่วนนี้ให้แก่ผู้นั้นผู้นี้นที่ร่วงรับไปแล้วถ้าอยู่ในสภาพหรือกําลังรองรับสมุนเงินสมมติอยู่ก็ขอให้มารับไปได้เลยถ้าเราไม่รู้ที่ถึงแม้เขาจะรอรับอยู่เขาก็รับไม่ได้เหมือนกับเราเข็นเชค เ, เราไม่เราไม่แทบชื่อเขา อ, อย่างนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะเอาไปขึ้นเงินได้เพราะว่านระกุลนี้เขาตั้งเรื่องสว่วนนิจจาวัฏิสามท า, ท า, าเรื่องส่วนนี้มันเป็นเรื่อง<ม>เป็น<ม><ม> เป็นเรื่องจากฉากเป็นเรื่องมันเรื่องการพิธีกรรมอ่ผักชีโรยหน้าอ่พวกนี้ส่วนไม่ส่วนไม่สาคัญมันอยู่ที่การกระทาของของใจเท่านั้นเองถ้าสวดนาขึ่งคนตายได้บุญมากขึ้นะกวันี่เป็นันนก็เรากินข้าวมื้อเดียวเนี่ยกินสามจานและสิบจานมันก็อิ่เหมือนกันเนยมันก็กินได้เท่านั้นแหละ แต่มันก็มีท้องอยู่ขนาดนั้นเนี่ยจะทํำร้อยวันสิบวันจำมากขนาดนั้นมันก็รับได้เท่านั้นเนี่ยมันจะรับมากกว่า น, นั้นไม่ได้สถานะข้าของเขาก็รับได้เท่นั้นเองเหมือนลูกเราเนี่ยเราจะให้งเงินเขาร้อยล้านทำล้านไหมให้ไปทํำไมเขาก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้วก็ให้เท่าที่เขาจำเป็นที่จะรองรับให้ค่าขนมไปโรงเรียนเง้ยงแต่ละวันเขาก็พอใจแล้วเขาก็แฮปปี้แล้วให้เขาไปร้อยล้านเขาก็ม่นจะไปทำอะไร เราฉะนั้นการทำบุญอาิตนี้เหมันเหมันจะได้เท่านั้นแหละจะทำกี่วันกี่คืนผู้รักก็จะได้ตามตามตามความตามฐานะของเขาเขาก็ได้รับทนันเองแต่พูดที่ทำเนี่ยได้ที่ทำกันญญญานี้เป็นการหลอกคนที่มีชีวิตอย่างนี้ให้ทำมีัน เพราะถ้าไม่มีคนตายก็ไม่ยอมทำกันถ้าอย่างนั้นจะเป็นเที่ยวกั น, นมากกว่าเึงแม้มีคนตายนี่ป่านนี้ก็ไปยุโหล ก, กันแนล้วแต่เขาโกงกันนะเห็นไหมแต่กรณีมีคนตายอะไรต้องไปไม่ได้แล้วต้องมาทำบุญยังก่อน <c oughs> มันเป็นบารสอนคนเป็นหลอกคนเป็นให้คนเป็นได้มีโอกาสได้ทำบุญบ้างไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทำกันจะทำบาปกันนะ จะสะสมกิเลสกัน่ายไม่จไม่ใช่บาปหรอ mm hmm. กการไปเที่ยวก็ไม่บาปแต่มันก็ไม่ใช่บุญ mm hmm. มันเป็นการสะสมกิเลสที่จะพาให้เราไปทําบาปได้ต่อไป mm hmm. มันเป็นอบายลยุ้งการเที่ยวการคืนอย่างนี้นเป็นอบาลยุ้งนั่นคือ นักบ่าหรือบรรดบุตเราเขามีวันประเพณีสําคัญๆนี้ก็เพื่อดึงพวกเรามาหยุดหยุดหยุดสร้างกิเลสกันทั้งวันหนึ่งแล้วมาสร้างบุญสร้างกุศลกันบ้างเช่นวันมาทะบูชายวันฤกษากะวันปาสันหาบูชานี้ก็เป็นการที่จะหลอกล่อให้พวกเราได้มนโอกาสได้มาทําบุญกันถ้าไม่มีเห็นแล้วไม่ยอมทําเที่ยวกันอย่างเดียว จะหาแต่ฟาสุขทางตาหูจมูกมื อ, อกายกันอย่างเดียวแล้วพอตายไปมันก็ไปแบบไปไปเนี่ยก็ต้องรอให้คนอื่นเข้ามา อ, อุทิศบุญให้กับเราเพราะขณะมีชีวิตอยู่เราก็มีแต่ความประมาไม่เคยไม่เคยคิดถึงเรื่องของจิตใจคิดแต่เรื่องของกิเลสอย่างเดียว คนส่วนยหญ่ในโลกนี้เกิดมานี้ก็ทาเพื่อกามทั้งนั้นทาเพื่อกิเลสทั้งนีน้กามในกิเลสต่เที่ยวนี้ก็เรื่องของกิเลสเปยืนไปรับประทานก็เป็นเรื่องของกิเมีใครไปเข้าวันั่งสมาธิบ้างมีน้อยมากเพราะฉะนั้นบุญทุกชนิดในความเปี่ยน ที่ทำวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อพูอ้อื่นทาเพื่อเราแต่อาศัยผูอย้อื่นมาเป็นเหตุให้เราได้ทำเช่นวันตายของพ่อแม่นี้ก็ทําให้พ่อแม่แต่นั่นเป็นทําให้เราเราได้ทำหรืองานบวชของลูกก็เราก็จะได้เข้าวัดถ้าลูกไม่บวชก็ไม่เคยเข้าวัดคนบางคนไม่เคยเข้าวัด น, นะแต่พอลูกบวชนี่เข้าทุกวันเลยบวชลูกบวช กระพแต่อลูกติดไปก็หายเป็นไงพี่กำลังบอกวันนี้กำลังมาทําบุญให้แม่ก็ดีกนั่นแหละถ้าไม่มีเหนเป็นจะไม่มาใช่ไหมตอนเด็กมันต้องทําทุกวันทําทุกเวลาทุที คือทานนี้ก็ทํำไปตามตามเวลาของมันเช่นถ้ามีพระเดินผานบ้านมาทุกวันแล้วก็รักบาปถ้าไม่มีพระเราก็เอาเงินที่จะซื่ออาหารที่ใส่เป็นในกระปุกกระป๋องไม่ก็ได้ไว้เวลาเราไปวัดเราก็ไปถวายวันนี้ก็เราก็จะได้ทํำบุญทุกวันศีลเราก็รักษาไปตลอดเวลา้วด้กี่ข้อก็สิทธิ์แค่แต่ความสามารถได้มากก็ได้บุญมากรักษาได้มากก็ได้บุญมากภอวนาะก็ ทอนาไปตามเวลาที่เราเราว่างตอนไหนแล้วก็หามูลตัวหกล้วก็นั่งทอนาพึ่ทํางานก็ได้ ว, วนเครื่องบินก็ได้เวลาทํางา น, านงเส ร, ร็จแล้วก็หาก็มีนั่งหลับตาพุ่งโซ่พุ่งโซ่แล้วไปก็ได้ในขณะที่ไม่นั่งเราก็จะเริ่มจิตควบคุมจิตให้อยู่กับงานที่เรากราลังทําทอยู่อย่าปล่อยให้จิตคิดปุ้งจางไปกับการทํางานของเรา บางทีก็ทางานไปก็บ่นไปว่าผู้โดยสารไปเพราะฉนั้นอย่างนั้นคน้นี้อย่างน้ทำยังไงอย่างนีุกุโทุกโทกันไปเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขามันเป็นธรรมดาคนในโลกนี้มันก็มีอย่างนี้ถ้าเรารู้จักปฏิบัติเราปฏิบัติได้ตลอดเวลาเราสร้างมูลสร้างกุศลได้ตลอดเวลา ไม่ต้องรอให้มีเหตุการณ์วันสาคัญเช่นวันมาฆะวันวิสาขะแล้วท่านมาทําบุญทําอย่างนี้มันก็มันก็ตายถ้าต้นไม้ก็รอรอนางานจะถึงจะลดต้นลด น, น้ำนี่นมันก็่ขีมันจะจนเจริญเติบโตได้อย่างไงเนี่ยนะที่เราเป็นบุถุอ ช, ชนกันมานมนานก็เพราะเราทําบุญเป็นแบบนี้เราไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาเป็นพระอริยะได้เลยถ้าทําแบบนี้ การอยากจะเป็นท่า ย, ยาง่งมันต้องทําอย่างต่อเนื่องทําทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในหน้ า, าที่การงานเรื่ยองยู่ในสภาพตามความทำก็ตาม ท, า ท, ำ, ทำได้หมดต้องทำอย่างนี้ถึมันจะได้เป็นท่าเลยะได้มันจะได้มาลูกภายใ 9, 10, 10, 10, 10. นเจ็ดมันเจ็ดปีได้แต่ถ้ารอมันเกิดหรือวันาตายของใครสักทีแล้วค่อยมาทำเนี่ยอย โดนนมติดนมเต็ที่เลยนะอาดีถ้ามันไม่มีระเด็นมันก็ไม่มีเให้พูดมันก็ไม่มี้ทรละออกมาสอนอย่างนี้ความมีพูดพอโยมโยมแย่มาครับเรี่อมันจะมีธรรมะกลับไปเพราะโยมคิดไปทางกล้ธรรมะมันไปอทางวันนี้ก็ได้หลายอย่างนะ เรื่องเรื่องทำบุญทำได้ตลอดเวลาอย่ารอเวลาอย่างที่ท่านสอนให้ถามตัวเราเรื่อยๆว่าขณะนี้กําลังทำอะไรอยู่ทําเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังสร้างบ้านนี้กําลังสร้างเมืงินใจทุกอย่างทุกอย่างกำลังเจริญสุภาษกรรมฐานหรือเปล่ากำลังเจริญ าหาเลยปฏิูุระสัญญาหรือเปล่ากําลังพิจารณาความตาอยู่หรือเปล่านี่แหละคือธรรมะที่เราควรที่จะเจริญอยู่เรื่อ ง, รองธรรมะก็มีหลายระดับอย่าอย่าไปติดอยู่ที่ระดับทางระดับเดียวครับทําแต่ทางอย่างเดียวศีลก็ไม่ค่อยสนใจกติดก็ไม่ค่อยเจริญปัญญาก็ไม่ค่อยเจริญสมาธิก็ไม่ค่อยน่ากัน เพวเรายังอยู่ห่ากไกลมากนาะถ้าเราทำแต่ทางอย่างเดียวก็เหมือนยังอยู่ชั้นประถมนะงอยูอันุบาลยังไม่ยอมขยับขึ้นชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาแควรจะขยับได้แล้วเนเรียนมาต้องห้าปีแล้วเดี๋ยวจะหมดหลักสูตรแล้วนะเด็กสองปีก็หมดแล้วบอกเจ็ดปีนะ ถ้าหมดเจ็ปีก็ต้องไล่ออกจากโรงเรียนเลยหลวงพ่อจะอยู่กับลรงกานี่พออยู่ถึงระยะหนึงท่านจะไล่ออกนะท่านจะว่าหมดละเ่ิดให้คนอื่นเขาเข้ามาเรียนได้นะ <laughs> อยู่ไปก็เกลียดกันสมัครใหม่ค่ะ <laughs> ต้องไปเปลี่ยนชื่อใหม <laughs> ่เปลี่ยนชื่อเปลนหน้าตาใหม่ การสมัยก่อนดูบ่ายท่านก็อยู่นานนั่นเสิบยี่สิบปีมั้งใจบางองค์นั่ใจท่านดูท่านชอบท่านมีหน้าที่อื่นีหน้าที่แต่ถ้าจะอยู่แบบเดยอย่างเดียวนี่ลูมานนี่ท่านถ้าอยู่แค่พรรษาเดียวท่านก็มีละถ้าไม่อยู่กับที่อ่ะาที่จะไปศึกษากับท่านสมัยที่ท่านอยู่เชียงใหม่นี่ก็จะได้อยู่กับท่านแค่ช่วงที่ท่านอยู่จำพรรษาท่านัน อืพอท่านต่ก อ, อ, อกภาษาแล้วถ้าการงานเกอะติดกับท่านทับท่านจะติล็ดวิเวศ ท, ทันทีพอใครมันเจอท่านทับท่านก็จะเกล็ดวิเวททันทีแต่พอเข้าภาษามันติดไม่ได้ต้องอยู่จําที่ก็เลยใครเคเจอท่านกจำก่อนเข้าภาษาก็โชคดีก็จะได้อยู่จํภาษากับท่านสามเดือนอมาตอนหลังตอนตชีวิตของท่านเนี่ยตามที่ท่านล้มในโหน่งออมาโดดเนี่ย ลบทุกัหาทางภาวนีสานเนี่ยท่านอยู่เป็นพึ่อย่มีภาพเดียวอยู่บัดท่างได้ได้งานหน่อยแต่ครูอาจารย์ท่านจะพิจารณาดูว่าอยู่นานพอหรือ ย, อยังศึกษามานานพอหรือ ย, อยังควรที่จะพยายามจะได้หรือยังท่านก็จะ ก็มีบางคนที่ท่านก็เมตตาเพราะว่าอย่างท่านปัญญาที่จะให้ท่านไปไหนท่านก็ไปไหนไม่ได้ท่านก็อายุของท่านก็มากแล้วก็ท่านก็มีโรคประจำตัวก็ตายไม่ได้อย่างท่านเทลลี่ก็ตาไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่วัดต่างนั่งจำแต่เรื่อยๆแต่พวกที่มีความสามารที่จะไปอยู่ที่อื่นได้ท่านก็จะระบายออกไปเรื่ ตอนนี้ท่านอาจจะทำได้อยได้แล้วเพราะว่าท่านก็ต้องท่านง ม, มีกำลัวงวังชาอย่างนี้ก่อนการสมาี่ท่านมีกำลัวงวางชาแ้ท่านจะรู้จักพระท่านรู้ว่า<น>มันนานไม่นานควรจะอยู่เลือคนจะไป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 เนื่นองจากยู่๋ไม่ได้ครับอีกี่นี้ก็ไม่เป็นไรครับจะมาเท่าไหร่ก็มาได้ไม่เป็นหาอะไรแต่ผู้นี้เป็นผู้เชิญสอนท่านว่านควรจะรู้ฐานะของตัวเองไม่ไไมใช่ยืนอยู่กับที่มไม่ใช่เดิอยู่กับที่มันต้องมันต้องมีามกาหน้า ถ้าพอใจอยู่กับพี่ก็ไม่ว่าแแต่น่าจะปิดวิเว้ไปเหยู่ที่นหนแล้วน่าจะบวชได้แล้วอะไรอย่างนี้แสดงว่าคนสอนยังไม่มีความสามารถพอที่จนะนะม้มน้นาวให้ผู้ฟังผู้ศึกษาเปิดศรัทธาที่จะ ตอจากเพศของคารวาสชอบสุดเพศของนักบวชไม่ว่าเป็นพวกบวชแต่งง <c oughs> าอยู่เราว์ที่สี่ก็มีสองประเด็นอย่ที่คนสอนยังมีความสามารถเล่นอยู่พวกนักศึกษาเป็นเป็นพวกเราที่สี่เราว์ที่สี่ <c oughs> <No. laughs> แต่พวกที่จะออาบวชนี่ก็เทียบหนึ่งกับพวกเขาวัวตัวหนึ่งก็มีแค่สองขาแต่พวกที่ยังออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกับพวกขนวัวตัวยังนีเป็นนับเป็รอย <laughs> ก็ด <travail> <yo> ูแต่นัก well, บ uh, ัวชนักปฏิบัติจรงมีมาน้อยแค่ไหนในประเทศเราเนี่ยมีประชากรต้องหกสิบเจ็ดสิบล้านคนก็เหมือนกับก็เหมือนกับเขาวัวเขากันส่วนพวกที่ไม่บวนี่เต็มไปหมดเลยเต็มเต็มหมดก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆนะ ทำอะไรได้ก็ทำไปเถอะแล้วพยายามเพิ่มให้มันมากขึ้นไปส่วนที่ต้องตัดก็ตัดมันลงไปเรื่อยๆตัดให้มันให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆกิเลสชนิดต่างนิดไหนที่เราพอจะตัดได้ก็ตัดไปทําชนิดไหนที่เราทําเพิ่มขึ้นได้ก็ทําเพิ่มขึ้นไป ศีลนักษาได้กี่ข้อได้รักษาเพิ่มขึ้นได้กี่ข้อพยายามรักษาไปพาวนา ไ, ได้มากเท่าไรก็พยายามเพิ่มภาวนาไปก็ต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนไปทําได้ถ้าเราถ้าเราตั้งใจจะทาจริงๆแต่ถ้าเรายังรักพี่เพื่อนได้น้องอยู่นี่นก็ลําบากทางโลกก็ยังรักพี่เพื่อนเพื่ได้อยู่ ทางธรรมก็อยากจะได้มันก็จะไปได้ถึงไหนคนบางครก็มีโอกาสดีกับคนอื่นคนอื่นอยากจะไปบางทีก็ไปไม่ได้เพราะมีบ่วงหลายบ่วงด้วยกันบ่วงจ้ามีบ่วงลูกบ่งภรรยา หวพ่อหลวงแม่ตอนคนก็มีหวงน้อยมีโอกาสไปได้ง่ายกว่าต่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะตัดมั้ยไม่ตัดถ้าตัดสินใจมันก็ก็มันก็ไม่ตัดตงใจกล้าๆแล้วตัดไปดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูาจาย์ารเป็นตัวอย่าง ท่านก็เป็นคนเรามาครับท่านก็มีบ่วงเี่องต่างๆพรพุทธเจ้าท่านก็มีบวงพ่อมีบวงภรรยาพอจะมีบวงที่สามาท่านก็ไม่เอาละไปเลยันนี้พูดเรื่องหนักๆเลยนะ เรื่องกิเลสนี่คนมันก็ชอบฟังนะเรื่องตัดกิเลยตัดปัญหานี้ไม่อชอบฟังชอบฟังเรื่องเรื่องสวรรค์เรื่องสมาธิเรื่องชาญเรื่องอะไรชอบพอต้องพูดถึงเรื่องเชื่อนตัวเองนี่นี้แห บ, บคือการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือการเฉียนตัวเอง เนี่ยตัวเรตัดกิเลเนี่ยมันก็ตัดเนี่เยนะเราเองมันเป็ยากคนชอบปฏิบัติไม่ได้ชอบปฏิบัติแนละ้วแต่ยังรักรักษาจิตจิตจิตกิเลสไม่ได้เป็นนั่งนั่งนั่งสมาธิได้แต่ไปเที่ยวได้แต่ถ้านั่งสมาธิแล้วไปห้าไม่ให้ไปเที่ยวด้วยเนี่ยผมไม่เอา อยากจะนั่งสมาธิมาให้ได้ผลดีมันก็ต้องมีข่อเรียนทีสังวรมันก็ต้องจับจังมาฉันตาจับรูปหูกลิ่นรถเถิดให้จิตเข้าข้างในถ้าจิตออกข้างนอกมันจะสงบได้อย่างไรจิตมันต้องเข้าข้างในมันถึงจะสงบได้มันจะเข้าข้างในมันก็ต้องจับรูปหูกิ่นรถมันต้องติดทวารทั้งห้าติดตาหูจมูกเส้นสายมันถึงจะเข้าข้างในได้ คนแตนั่งสมาธิการแต่นั่งแล้วมันไม่ได้ผลน่นั่งแล้วหลับกันถ้านั่งได้ผลแล้วมันจะต้องมันจะต้องไปได้กลับถ้านั่งมากิ่ปีกี่ปีก็นั่งเหมือนเดิ้แสดงว่านั่งไม่ได้ผลถ้านั่งแล้วจิดรวมลวงนี่มันจะอัศจรรย์ใจนมันจะมีกัรท้วิเลยะที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นที่จะตั้ การมาสัมคาสให้มากขึ้นถ้ามีถ้าเจิตยนรวมรับเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเดือดไปเพราะมันจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางกามารูปทางทางการมรุษทางกา ม, าา ม, า ม, ามสัมผัเมื่อมันมีสิ่งที่ดีกว่าเมื่อเราได้รสที่ดีกว่า เคยขับรถมี่ห้อนี้แล้วต่อมาได้รถที่มี่อดีกว่าเนี่ยเราจะขับรถคันเก่าเนยะใช่ไหมเราก็ไม่ขับเนยเคยขับเปีโยโนต้าแล้วอยู่ๆได้เบนซมาเนี่ยจะไปขับเปีโยโนต้าหรือเป่าจะเอาเบนซจอดแล้วจะลองรถหรือเปล่าเราก็จะขับเบนซอย่างเดียวนี่ก็เหมือนกันพอได้พอจีบรวมลงแล้วเนี่ยทีนี้มันไม่เอาแล้วล่ะลูกเสียงจีบรถทางตาหูจมงูงเส้นกลางมันจะเอาแต่ จิตรวมลงหรือเยมันจะหาที่สงบขนาดที่เมภาวนาความจิตให้มันรวมลงไม่ได้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่ได้นี่แล้วมันก็ยังไปไม่ได้โจยาต้าก็ยังดี <c oughs> <c oughs> ดีกว่าโอน <c oughs> ก็ยังมันมันปฏิบัติไม่ได้เหตุไม่ได้ผลอะไรปฏิบัติไปเป็นกิริยามากกว่าไม่ได้เนื้อไม่ได้หนังได้แต่ท่าของการปฏิบัติแต่ไม่ได้ผลจริ ง, รงๆถ้าได้ผลจริงๆแล้วมันต้องมันจะมันจ ะ, นจะเบื่อทางโลกเลยท่านเป็นู้ว่ารถแข่งทำชนะรถทั้งปวงถ้าได้สัมผัสกับรถแข่งทำแล้วมันจะไม่เอาแล้วละรถอย่างอื่ เหมือนก้อนห็นกับเพชรอย่างนี้พอได้เจอเพชรแล้วจะไปเอาก้อนหินเลยใช่ไหมไปเที่ยวนี่มันเหนื่อ ย, อยาตายเลยันั่งสมาธิเกียรมลมนี่นไม่เหนื่อยไม่ต้องไปทําทัศน์บอดไม่ต้องไปทำมีซ่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปปีตัวไปวไปวุป่นวายกับใบ รอที่สนามบินไปรอขึ้นเครื่องเรื่องราวมาก ม, มายการก่อนพอไปเที่ยวพักก็เลนื่อยอยากจะกลับบ้านไปอยู่ด้านไม่กี่วันก็คิดถึงบ้านไปอยู่ที่อื่นที่ไหนจะสบายต้าอยู่ที่บ้านเราใช่ไหมแต่ี่เลยมันจะหลอกเราวาดภาพโอกว่าสนุกสวยงามอย่างนู้นอย่างนี้เราไปให้ได้พอไปแล้วก็อยากจะกลับบ้านคิดถึงบ้าน พอนมีของดีในใจแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วัน อ, อยู่กับเราละบาบาอยู่ตรงไหนก็ก็มีความสุขไปอย่างที่เราเล่นต้องไปนมานี่เพราะว่ามันไม่มีความสุขข้างในมันมีแต่ไฟอยู่ท้างในไฟแห่งกามะกามาราคะราคะโทสะโมหั ถ้าเรออกไปราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะที่มันเผาใจของเราให้ร้อนทำให้มันอยู่ไม่เป็นสุขต้องไปหาหาลูกหาเสียงหากิ่นหาเลือดมันดับมันแต่มันดับดับเอาน้ําเอาน้ํามันไปลาดในในกองไฟน้ําเวลาเราลาดไปใหม่ๆหม่มันก็น้ํามันยังเย็นอยู่มันก็เป็นเหมือนน้าไฟมันก็ทําท่าจะดับอยู แต่พอน้านํามันเราเริ่มร้อนแล้ีนี้มันเริ่มรูปแปลงขึ้นแล้วด mm ังนั้นถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่เร่าที่พิเศษที่พระพุทธเจ้าสองให้เราให้เรามีกันนี้เราก็ต้องตัดให้ได้ตัดความสุขภายนอกและพยายามสร้างความสุขภายในให้ได้ ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือตัวสตินี่แต้องเจริญสติอยู่ดรื่อยๆให้เจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วในสติประฐานนี่ก็แสดงว่แล้วนภะายในเจ็ดมันี้ได้แนะ่ๆถ้ามีสติถ้าแต่ตื่นมากจนหลับจิตไม่ตปไหนเลยอยู่ในปัจจุบันตลอดอย่างนี้นะเวลานั่งดูลงหายใจมันก็จะไม่ไปที่มันก็จะอยู่ความลมหายใจมันก็จะรวมนอเพอราะรวมนองมันก็สงบ ก็เจอความสำคัพอมันรวมได้ครั้งแล้ต่อไปมันก็จะทําได้เรื่อยๆเพราะมันจับประเด็นได้แล้วมันรู้วิธีแล้วว่ารับรองได้ตอนนั้นจะไม่อยากจะอยู่กับใครยังมีอะไรก็ไม่อยากจะเก็บเอาไว้อยากจะมีเวลาเพื่อปฏิบัติอย่างเดียวอยากจะมีที่ที่สงบไม่ไวุ่นวายไม่ยุ่งกับใคร เราก็นั่งมันทั้งวันถ้าหลับกับโดนนั่งไม่ได้กับโดนโดนเมื่อแล้วกลับมานั่งแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากรสมาธิแล้วทีนี้ก็จะเริ่มเดินจารันอนิจจทุกขั ง, งนาตาแล้วทุกขารู้เสียงเกิบว่าเป็นอนิจจทุกขานาตาพิจารทุกขารู้เข่งเก็บว่ า, า, า, า, า เ, ปเป็นอนิจจทุกขานาตา ก็จะยังจุ่ว่าเป็นอ น, นิจจังอ น, นิจจัทงทุกขังนะครับตามันก็จะขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปแล้วในที่สุดเรนก็ปล่อยวางได้นนปล่อยภายนอกภายนอกก็ปล่อยขันก็ปล่อยขันห้าก็ปล่อยจิตก็ปล่อยเมื่อปล่อยหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวงานก็เสรจ ทีนี้ก็ยู่ตรงไหนเวลาไหนมันก็อิ่มมันก็สุดมันก็พออยู่ตลอดเวลามันเป็นจิตที่รวมอยู่ตลอดเวลาจิตที่รวมจากการนั่งสมาธินี่มันมันรวมได้อยู่แล้เดียวแลาเดี๋ยวมันก็ถอนออกมาเหมือนเอาน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็ น, นแล้วห้านาทีเราก็ต้องเอาออกมาจากตู้น้ํานที่อยู่ในตู้มันก็เย็นพอออกมาเดี๋ยวเดียวมันก็รอน แต่ถ้าเป็นจิตพลอยสุดนี่มันก็มีน้ําอยู่ในตู้ตลอดเวลาเย็นตลอดเวลาตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่มีร่างกายหรือไม่มีร่างกายนี่ก็ไม่ไม่ไปเปลี่ยนแปลงความเย็นของจิตที่พลอยสุดนจะเย็นไปตลอดไปจุดนี้จะไม่ไปไม่ออกจากตู้เย็นนะจะอยู่ในตู้เย็นก็คือความิพันธ์ไปตลอด ถึงแม้จะอยู่กับขันก็ก็ไม่ไม่ไม่ขันความร้อนของขันก็จะไม่มากระทบกระเทือนกับทางหยินทางจริงที่บอกก็อยู่กันไปดูแลกันไปเวลาร่างกายเจ็บไขยได้ปวดทั่วทั้งนั้นปวดแต่นี้ก็รู้ว่ามันปวดแต่ใจไม่ร้อนจางไม่เจ็บจางความเจ็บของร่างกายอยู่ก็บมันไปจนกว่ามันจะมันจะหมดไป แล้วก็จะไม่ไปหาร่างกายอะไรมาแบบอีกมาเจ็บอีกพอแล้วถึงถึงเมืองพอแล้วพอทุกอย่างไม่ต้องการอะไรอีกแล้วถ้าเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วจะจะเติมน้ำเข้าไปอีกมันก็ไม่ได้ทำให้มีน้ำในแก้วั้นมากขึ้นแต่ก่อ น, นัน มันก็มีท่านั้นแหละมันรับได้เท่านั้นมันแต่มที่จิต mm hmm. ที่บอยสุทธิก็เป็นอย่างนั้น mm hmm. มันมีความสุขเต็มที่ตลอดเวลาไม่พร้อง mm hmm. ไม่หมดไจ mm hmm. เออไม่ต้องเติมไม่ต้องทําอะไรเลยสบาย mm hmm. ตอนนี้เป็นรางวัลนะที่พวกเราจะได้รับนนะ <c oughs> ทุกคนมีจิตเนี่ยนะไม่ต้องจับฉลาก <c oughs> ต้องจุดปฏิปันโนทัานนี้ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแา่นี้เงื่อนไขสั้นๆทัไมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ <c oughs> จำได้ที่ยังมีผู้ปฏิบัติทำสมควรแก่ธรมอยู่จากนั้นป้าอาหารจะไม่ขึ้งไปจากโลกต้าอาหารก็เปิดจิตที่บริสุทธิ อยู่ตรงนี้เดี๋ยวที่สุปฏิันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนามิจิปฏิปันนปฏิบัติดีก็คือไม่หนีเลียงถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่ตังนู่นอ้างนี่นี่เรียกว่าไม่ไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติดีต้องถ้าทำถ้าเรียนหนังสือก็ทำได้ได้เป็นร้อยถ้าจะปฏิบัติดี ปฏิบัติงก็ปฏิบัติเพื่อเพื่อเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อตัดกิเลสบางคนปฏิบัติเพื่อให้ร่าให้รวยกันเองทำบุญทําทานเพื่ออยากจะรวยในภาพหน้าเพื่ออยากจะไปเกิดเป็นเทศเป็นธงอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติตรงไม่ได้ตรงต่อมากผลนิพพานระยะเราปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เท่านั้นเองไม่ได้ปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์เท่านั้นแต่มีจิก็ปฏิบัติ ชอบก็หมายถึงว่าปฏิบัติถูกต้องไม่ผิดจากจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสังส่งสอนก็มีสีประการนี่แล้ววิธีที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสี่ประการไม่ได้ก็คือต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะท่านผ่านมาแล้วท่านรู้ทุกอย่างท่านรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกที่ผิดเป็นยังไง และท่านจะคัดออกไปหมดใน ว, นวิธีที่ผิดวิธีที่ไม่ท่าในหลักธรรมเลยใช่ไหจะช่วยคัดให้เราหน่อยเราอยู่กรบท่านแล้วเราไม่ต้องมามามาสงสัยมาตั้งกังวลว่าถูกหรือไม่ถูกอย่างไรการการปฏิบัติของท่านนี้ถูกต้องทุกประการเลยถ้าเราปฏิบัติเองเนี่เราจะหลงได้เราจะเราจะปฏิบัติเพียงหรือผิดไปได้ มีคราาูบาาจารย์เนี่ยมีความสำคัญอนี้ทำให้เราปฏิบัติตรงเลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วถ้าเราปฏิบัติเอ ง, องเนี่ยบางทีเราก็ปฏิบัติถูกบ้างผิดบ้างเสียเวลาแล้วถ้าดีไม่ดีก็าอาจจะลองทางไปเลยตรนงน การนี้อาจจะเป็นชาติเดียวนะที่เราจะได้มาพบกับโอกาสอย่างนี้าาาตายไปแล้กลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์นี่ไม่รู้ว่าจะมีอย่างนี้เหลืออยู่ยให้เราหรือเป่าจะมีดีกว่านี้ก็คือมาเกิดแล้วมาเจอพระพุทธเจ้าซึ่งโอกาสนี้มันยิ่งยากยิ่งกล่าโดยซื่กออ็ัตถุถึงวัตถุเรามันที่หนึ่งฉะนั้นย่อมเห็นว่าโอกาสเนี้ยที่เรามีอยู่นี้ยมันเลิอกที่สุดแล้วมันมิเศษที่สุดแล้วถ้าเราปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ตระโยู่์จากทาง ทางการปฏิบลลัติเราเนี้ยเราก็เจะว่ากิริามเกิดนะอย่างเย็ น, นลองไปพิพจรารณาดูตายไปแล้ไม่รู้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้ว่าจะมีกรูบาอาจารรืออะอยู่หรือเป่าแพยายามปลุก สรัทาสันทะเิริยะมีพยายามช่วยส่งแล้วไหมนนกบนั่งหลับคอพ้ากันพยายามปุกแม่แฟนใงานกันไม่รู้ริ่เครียดพยายามส่งเอาแล้นล่าจมาของก่อน ก็บัรใจมากครับแต่นี้ไม่เป็นเรือพ่วงอะเป็นเรือเครื่องอะเลิกเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นลากมา มาที่ร่างจิตใจก็ดูได้นนดถ้าบางคนบอกดูร่างมันเกิดอาการที่ไม่ดีนะถ้าบอกจะอว้วกมันแสดงว่าจิตยังอ่อนมากอ่อนไว้ต่ออารมณ์ต่อรูปที่เห็นท่านเองตงสอนแล้วต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเจเริญปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วที่มันยังมีกำนังมากแล้วพอมัน ทางการรับรกับเรื่องานั้นก็จะมีอามจะดเวลาต่อปพอนตคนี้อรอย่าเงี้ตายตายก็จะคนไทยไทยเยเศของโรคตายปีแผ่นดินตาเนี่ยเ็อยแต่ละตรงนี้ยยไม่ คณะจะสลับเมือก็บวชแต่เขาบวชกำหนดแล้วค่ะเป็นวันที่สิบสี่เมษา10ะสิบสิบเลยวนี่สิบก็ที่เราเราเราท้องเม่อไหร่ก็บวชถ้าไม่ท้าไม่ท้องไม่ต้องบวชที่นี่เขาก็มีบวชอยู่อยู่ป็ระยะระยะเมษาไม่ได้เขาไภาไปแล้วแต่เขาลาแล้วค่ะอ๋อแค่วันที่สิบแต่อยาไปทางานตอนที่เราบวชเพราแล้วไงไม่ได้ทบวชแล้วก็ไปดูงานไม่ไม่วช เ่อนพาแล้วย่างไปดูไปอุดรไปดูแบบไปะไม่แล้วอกตูกหวังช่วงนั้นจะให้ทเนตมาแทนค่คะทนเนมาจอถ้าเวลาบวชแล้วก็ขอจับงานทางโลกฟางให้่ อ, ยอยงนี่ยก็มาบวชเพื่อทื่นใจได้ทื่นใจเวลากายฟังธรร ม, มาน้ก็อย่าไปบวชเสเวลาเลยค่ะเออเปิบวชไม่ฝึกอาจที่อยู่กับท <c oughs> ่านอาจารย์ท่านเป็นทนายมาก่อน พอท่านมาบวชคนก็เลยเอาเรื่องให้ท่านมาทำเรื่องธนายไม่มเคยเจอท่านอยู่ไมเจอท่านเคยมาหาเคยคุยตอนตอนนั้นที่ท่านมาหาแล้วก็บอกท่านในหลวงระหว่างเรื่องงานทางอืน่นแล้วมาบวชเรื่องงานของเราก็เจองานภาวนาตอนนั้นท้านก็กําลังยุ่งกับเรื่องเจดี ย, ดดย์เจดีเรื่องของเออเจดี เขาบอกว่าไม่ใช่งานของเราถึงแมนจะเป็นบุญากา็ตามเถอะแต่มันไม่ใช่เป็นบุญสาหรับพระบุญหลวงพระนี้ต้องงานภาวนางานตื่นชีวะงานเจริญปัญญางานพวกนี้ก่อยให้คนอื่นเขาทำไปเถอะไม่ใช่งานของเรา บาที่สับสนอะพลางที่มาบวชแล้วก็ไม่รู้ฐานะของตนไม่รู้หน้าที่ของตนก็ยังไปทําหน้าที่ของผู้อื่นคืฐานะอื่นอย่ า, ายยงเราบวชนี่เราไม่เคยไปดูเรื่องแบบเรื่องอะไรเลยไม่ ง, งานวิศวะนีไ่ไปแต่ต้องไม่เกี่ยวข้องไม่สนใจนแต่งงานภาวนานอย่างเดยวตอ ก็การกาออกเป็นพระก็มีหน้าที่ของพระเป็นตำรวดจก็มีหน้าที่เป็นตำวจเป็นหมอก็มีหน้าที่เป็นของหมอแต่และคนมีแต่หน้าที่กันไม่ใช่เป็นหมอแล้วก็ไปนั่งสมาธิคนไท้ก็ตายเป็นแอร์แล้วก็ไปเป็นแอแล้วก็ไปทำอย่แอแางอื่ไม่ได้เพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวอน ตอนตำรวจนี่ก็ต้องเคลียร์งานให้หมดยอย่าให้งานอะไรมาเลยพอพอมีงานมาแล้วก็อย่าไปตอบเลยตอนที่เราเดิไปไม่งานก็มีคนส่งโทรศัพท์มาชวนจะทํางานเราไม่ตอบเลยเราเผาที่ททอะไรที่ไหนไม่ติดอนะ่ตอบไปแล้วก็เดี๋ยนว่าเรื่องก็ยาวอีกแหลไม่ตอบมันก็เลยไม่รู้ว่าเราได้รับหรือเปล่าันก็ไม่มี แม่ไม่ตามมาเองานของข้ามีสองานก็เรียกคันธรุรตวริัตตานธุระคันถาธุระก็คือการศึกษาพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าที่ตวริมาธุระก็คือการทาให้ญจ้ิเห็นจริงในพระธรรมคสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการเจริญนักด้วการเจริญด้วยการปฏิบัติถึงตนาที่จริงธรรอันนี้เป็นหน้าที่ของนักบวช งานที่พระอุปชามอบให้วันแรกก็มอบมาให้ท่าท่างานละปีศาลูมาหน้าขาดังตาแต่เจ๋อเนี่ยงานของพอัสุรธรมฐาเลยแรกขอเลยว่าเจริญจะเจริญีาลูมาน้าาดังตาแต่เจสภาก้าบเองค์บวนาแล้วพอออกจากบทน้องเริศมเลยขึ้นเลหมดไม่เคยรู้เรื่องปีศาลูมาน้าาดังตาแต่เจเลย จนถึงวรนเสร็จก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาให้ท่องเจสานุมานักาจันตาระโจรจริงจริงเป็นยางนั้นเพราะว่าจะเรียนน้องไม่เสร็จหรับไม่ลองได้ถ้าจะเริยนเจสานุมานักขานันจารกโจรจนเห็นความจริงของน้าตายว่าเป็นอย่างไรมันก็ไม่จะเสร็จปหาเลย ที่เสดกันตายเมื่อกลับไปหาเกษาสโรงงานนั่นแหละผมสวยผิวสวยตัวสวยแลย้วมันก็กลับไปหาพวกนี้นั่นแหะถ้ามันเห็นว่ามันเป็นอับ ส, สิภาสมันเป็นป ฏ, ฏิกรูนัง่นก็ไม่กลับไปนะพระอาจารย เราลังบวชแล้วจะไม่เสร็จนะถ้าถ้ากเจริญได้ได้ได้เห็นของที่เราบางทีไม่อยากจะกลับไปนะใจซ้ำให้เราพอใจก็จะได้เป็นอิสระมันมันมีได้มีเสียเสียเขาไปแต่เราก็ได้ความเป็นอิสระพอเรากลับมา ถ้าได้เขากลับคืนมาเราก็เสียความเป็นอิสระของเราไปแล้วให้พอนะยะทาวุระฮาโกราปาริโคริติชาการ เอวันิวะตนงเตตานังอุปาปปติอิิตังตัติตงตหงคิดตั้งนิวะสัจตจับเทโทเหนตุสังปะจัมโทปณญะระสุยาทามนิจโตติรสุยทามจับติโยวิวะจัมโตจบพรุโคลีนัตุมาเตวตันตายสุขีทพายโภว อะพิวาทานัสสีนิจจะนิจังมุทาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวะทังติอายวันโอสุขังภาลัง สำอย่างงี้หอย่ที่ตัวเรานะจบครูบาอาารย์ื่นให้กาลังใจเตมแต่มาลรวก็ชื่นใจจ้ะค่ะชื่นใจแล้วก็ต้องไปทํารอ